เนี่ยนทางบารมีมีการยจากเป็นลักษณะเนียนะอันนี้ก็คือลักษณะของของบารมีเนะี่ยท่านสรุปไว้บอกว่าว่าโดยไม่แยกกันนะไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเล่หขัมมะบารมีใช่ไปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันตินะศัจจานิพนต้นนะี่นะวิรยิยะขันติสัจจาธ์อธิฐานเมตตาวเวขาบารมนะีในบารมีต่างๆเหานะั้นเนี่ย ในบารมีทั้งหมดนะั้นมีการอนุเคราะห์ผู้อื่นนะั้นเป็นลักษณะอุดมเลแล้วก็มีการอุปการะแก่ผู้อื่นนะั้นเป็นรถกิจจะรถหรือกิจหรือหน้าที่นะี่ะของบารมีต่างต่างเหลนะ่านั้นก็มีการสมเคราะห์สัตว์อื่นบุคคลอื่นเป็นเป็นรถเป็นหน้าที่นะและมีความไม่หวนไหวนะเป็นรถอีกอย่างหนึ่งทางหากเกด้วยนะถามในระหว่างที่จะบําเพ็ญตานบารมีศิบบารมีได้ขมมหรือปัญญาจนถึงเบขาบารมีเนะี่ย ท่านจะไม่มีความหวั่นไหวในการบําเพ็ญบารมีเหล่านั้นเลยไม่ว่าจะยากไม่ว่าจะลําบากไม่ว่าจะแสนเข็นลําเค็นขนาดไหนท่านก็ลุยนาลึกป่าล้งป่าน้ําขนาดไหนนี่นะท่านก็ลุยในการที่จะสร้างจัดทําบารมีเหล่านั้นนั่นแหละคือจิตใจของบุคคลผู้บําเพ็ญโภธิยานเราตั้งวิธีคิดในลักษณะนี้นี่แหละชื่อว่ามีคุณของท่านมาเป็นอารมณ์ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็คุณนะนะไม่ไม่เป็นประโยชน์ก็คุณเป็นปัจจุบฐานคือลักษณะใกล้เคียงเป็นอาการปรากฏหรือมีความเป็นพระเจ้าเป็นปัจจุบฐานก็ได้มหากรุณาเป็นอะไรเป็นปัจจันฐานบางท่ากันก็บอกว่าปัจจันฐานเป็นพื้นฐานนะหรือเป็นไม่ใช่แค่มหากรุณาอย่างเดียวนะมีปัญญาด้วยมีอุบายนะ มีความฉลาดด้วยมีความเป็นผู้ฉลาดในอุบายและกรุณาเป็นประทัดฐานอันนั้นท่านกล่าวโดยการไม่แยกกันแต่ถ้าไปแยกกันเป็นเฉพาะเฉพาะอย่างนี่นะทานบารมีก็อย่างสิ้บารมีก็อย่างเป็นเจ้าเลยเนี่ยถ้าว่าโดยการว่าโดยตัวแยกกันเจตนาบริจาคเครื่องอุปกรณ์ของตนกนําหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแหกรุณาเป็นทานบารมีสรุปแก็คือว่าเวลาจะ ให้ทานบารมีก็ต้องฉลาดด้วยนะต้องมีปัญญาเป็นตัวไปไข้ควรพิจารณาด้วยนะแล้วก็ต้องมีกรุณาเป็นตัวเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นด้วยนะแล้วก็กายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็อาชีพที่บริสุทธิก์กำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาอันนั้นก็เป็นอะไรและก็ความโดยใจความก็คือเจตนาเนเว้นนะความงดเว้นสิ่งไม่ควรแล้วก็ทําสิ่งที่ควรเป็นต้นในนั้นก็เป็นศีลบารมี นั้ศีลบารมีเนี่ยเป็นความฉลาดในการงดเว้นไม่ก็ต้องฉลาดเนี่ยและมีกรุณาด้วยในการที่จะรักษาศีลเนี่ยการที่จะรักษาศีลหรือว่าบำเพ็ญศีลบารมีทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้เพื่อใครเนี่ยเพื่อในการที่จะขนสับหรือสัว์ออกจากสังสารวัฏเจตนางดเว้นหรือเครื่องงดเว้นทั้งหลายนั่นแหละเนี่ยจิตตุปบาทก็จะออกจากกามมีกามมาพบรูปพบแล้วก็อารูปพบออกจากวัฏตาสงสารเนี่ย มีการเห็นโทษเป็นลำดับแรกกําหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดใ้อุบายแห่งกรุณาอันนั้นก็เป็นเนกขัมะบ า, ารมีการจะออกจากกรามออกจากภพในะท่านไม่ได้ออกแบบคนที่มีโทสะนะเป็นเจ้าเรือนนะถ้าคนบางคนเนี่ยเบื่อแล้วภพนี้เบื่อแล้วขันนี้ก็ไปทําลายใช่ไหมไปทําลายไปประหรัดประหารขันนี้อย่างนั้นเป็นการออกจากขันออกจากภพบแบบไม่ชานฉลาดฉะนั้นท่านเบือบ่อน่ายบ่งบอกชัดว่า ไม่ได้เบื่อในได้วยโทรศัพท์นะเพราะสภาพของโทรศัพท์เนี่ยบางคนอยู่บ้านเบื่อบ้านแลือเบื่อเนี้ยการมีการมีเรือนก็เบื่อการมีเรือนการบริหารงานก็เบื่อการบริหารงานการเบื่อลักษณะนั้นบางครั้งเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมไม่ได้เป็นไปกับปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงอะไรเลยแต่ปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันคนละเรื่องกันใช่ไหมปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็เบื่ออะไร เขเบอร์รูปนามขันห้าที่เป็นไปในสังสารวัตรนั้นรูปนามกันห้าที่หมุนไปในสังสารวัตรในพบน้อยพบใหญ่เนะี่ยบางครั้งก็บุนไปในอบายภูมิบางครั้งก็บุนไปในกาบภูมิบางครั้งก็บุญไปในรูปภูมิและก็บางครั้งก็ไปสู่อารมณ์ภูมิก็เวียนกลับไปกลับมาในกรณีอย่างเงี้ยนะถามว่าบางครั้งวิชาทิฏฐินะวินิฉัยเป็นธรรมมวินิฉัยขึ้นมาเนะี่ก็เวียนในกานปรปฏิบัติผิด บางกลุ rim, ng, ah oon, plus, iam, plus, after, ่มก yeah, hmm. yeah, ็ปฏิบัติประเภทอุเฉะทิฐิบางประเภทบางประเภทก็เป็นสัตตตาทิฐิเห็นว่าเที่ยงบ้างเห็นว่าขาดซูนบ้างใช่ไหมบางกลุ่มก็เป็นประเภททิฐีประเภทสัญญาเวลาคาอวนาเนี่ยไปได้อสัญญาสัตภพบเป็นอสัญญาตัสสัตมีรูปประคันอย่างเดียวไปอยู่ในภพนั้นไม่มีนามธรรมนี่เท่าไหร่นะห้าร้มหากัาบนคือ500มหากราบก็เท่ากับโลกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับไป500ครั้ง ห้าครั้งเน อ, อ ก, การบอกเป็นบารมีมากกว่านั้นไหมมากกว่านั้นเลยนะฉะนั้นของสัตว์เหล่านี้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาทําฌานสมาบัติบางครั้งมีอภอภิญญานะพอร ะ, ะลึกช า, ดดกาติไดก็ไปติดตรงนั้นแหะไอไปติดว่าห้าร้อยหมากลับระลึกถานไปไม่ได้ก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าสัตว์นี้เกิดขึ้นมาลอยๆนี่นะไม่มีไม่ไม่ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเลยว่างั้นมึดมึดน้อยแล้วก็ปฏิเสทธที่สงเลยเนี่ยนะ มองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นด้วยกําลังปัญญากําลังวิญญาณตัวเองนั่นแหะไม่สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นได้นันก็ เ, เป็นอย่างนี้นสัตว์โลกก็จงอยู่ในมิจฉาทิฐิวนเวียนอยู่ในมิจฉาทิฐิเขาต้งบอกว่ารกชัดคือทิฐิถามรกชัดคือทิฐิออกไม่ได้แล้วก็กัน d า n คือทิฐิบทท่องเที่ยวไปในกั n d า n ทั้งหลายเพราะว่ามิจฉาทิฐินี่แหละปักแน่นในกระแสขันของชัดนะ สัต์นั้นก็วินิจฉัยผิดผิดพลาดพลาดโมหะก็ครอบงำยางนี้นะอันวิชาทิฏฐิก็วินิจฉัยไปเรื่อยๆในส่วนจริงก็ผิดพาะลาดตลอดเวลาไม่เคยเข้ามัชฌิมาปฏิปทาเลยลงมทางอยู่ตะลอดเวลาอันนั้นคืออะไรรู้ไหมคือบ่องบอกว่านั้นน่ยปฏิปทาของท่านทูนั้นน่ยผิดพาลาดแลเป็นวิชาปฏิปทาเป็นการมาสุ ข, ขาริการุโยกบ้างเป็นอัตติติลมาทามิโยกบ้างวางข้งเป็น มชิมาปฏิปทาก็าไม่รู้ด้วยการที่โมหะหนานแน่นแล้วก็วิจฉาทิฏฐิอยู่ในกระแสจิตและัญหนานแน่นก็วิชัยผิดพลาดฉะนั้นในกรณีที่จะออกจากภพถ้าออกแบบนี่ขมมะนี่มีปัญญากับมีกรุณานะเป็นตัววินิจฉัยความเข้าใจลักษณะทั่วไปก็ลักษณะพิเศษลักษณะลักษณะทั่วไปก็คือสามันจะลักษณะใช่ไหมคืออันนี้จะลักษณะทุคลักษณะและบ้านัสรัล อนัตตะลักนาคือลักษณะของกระแสะของน้ำรูปที่โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันนี้ก็เรียกลักษณะทั่วไปแก่สำคาญทั้งวงเลยส่วนลักษณะพิเศษเขาเรียกว่าปัจจัยตาลักษณะใช่ไหมหรือว่าวิเศษลักษณะอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวนะลักษณะเฉพาะตัวในเช่นรูปเนี่ยมีลักษณะที่ว่าจะต้องแตกดับทําลายไปเพราะเย็นร้อนคือปัจจัยที่เป็นปฏิบักษเป็นต้นใช่ไหม หรือเวทนาเป็นธรรมชาติที่จะต้องมีการเสวยรสของอารมณ์สัญญาธรรมชาติจัมมาอารมณ์นี่ยใช่ไหมภาษาธรรมชาติที่กระทบอารมณ์เป็นต้นน่ยโอ้ลักษณะของนามาทำแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างเขาก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนี่ก็เป็นลักษณะพิเศษหรือว่าเป็นปัจจาลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะตัวใช่ไหมแต่ไม่ว่าจะเป็นภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกขตาชีวิตินีมนสิกังใช่ไ หรือไม่ว่าจะเป็นจิตก็ดีเป็นรูปประธรรมทั้งหลายนมามธรรมทั้งหลายก็ดีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันก็ดีแต่โดยลักษณะทั่วไปของสาภาวธรรมเหล่านี้แล้วมีความไม่เที่ยงเสมอเหมือนกันหมดมีความเป็นทุกข์เสมอเหมือนกันหมดแล้วก็มีความเป็นอนัตตาที่บงังคับบัญชาไม่ได้เสมอเหมือนกันหมด แต่การที่มีปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ไปเห็นแค่สามัญลักษณะอย่างเดียวมันใช่เป็เนวิบัสินานะมันต้องเข้าใจปัจจารลักษณะให้ชัดเจนก่อนนะจึงจะไปเข้าใจสามัญลักษณะใช่ไหมไม่เข้าใจว่าลักษณะเฉพาะตัวคืออะไรเลยเนี่ยดอดไปรู้สามัญลักษณะถามว่า น, นิจังทุกขาณาตาของเราจะไปต่างอะไรกับของบุคคลที่ไม่ได้อบรมตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าใช่ไหม ในภายละรัทพิภายละศาสนาภายล ะ, ายละคาสอนก็เขามีอ น, นิจจังทุกขังมรณาตากันทั้งนั้นแหละแต่อา น, นิจจังลุกขังอนณาตาเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปเกีับการเพื่อจะถ่ายถอนตัณหาราคาทิฏฐิเข็นอย่างนั้นแล้วตัณหาราคามาหน้ทิฏฐิโทสะโมหะเป็นต้นนี้ไม่สะดุ้งสะดืนเลยใช่ไหมเพราะเป็นการเข็นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงนั่ น, น, นเป็นปัญญ า, าบารมีก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นนั้นตั้มด้วยความเป็นผู้ฉลาดใน อุบายแห่งกรลณาเนี่ยนะทัจะเป็นปัญญาบารมีการปาราศถึงบุญประโยชน์ผู้อื่นด้วยกายและจิตอันกาหนดด้วยความเป็นผู้ชาดในอุบายแห่งกรุณาเป็นวิริยะบารมีนะวิริยะบารมีเนี่ยถามว่าวิริยะบารมีเนี่ยเป็นตัวพิยศเป็นตัวพยายามเป็นตัวควนขวายเนเมื่อถามว่าพอกาปัญญาบารมีแล้วพ้องก็เก่า ว, วิริยะบารมีใช่ ถามว่าเป็นการกล่าวว่าเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยความขนขวายความเพียนปยญญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอรรถกถาสิกราท่าแล้วก็ไตรรัตนสมาธานมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้มันจะปรารบความเพียนคนมีปัญญาน่ยปรารบความเพียนเมื่อปรารบความเพียนแล้วก็มุ่งออกจากจากความเกลียดค้านเนี่ยมื่อออกจากความเกิดเกียดค้านก็เริ่มตั้งแล้วพอเริ่มตั้งอัตยาศัยก็สู่ความเพียนพัฒนาความเพียนจากปกติก็ให้เป็นความเพียนแบบเริ่มบริบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปในที่สุดจริงจริงความเพียนก็จะสูงขึ้น แล้วความเพียรแบบไม่ลงทิศหลงทางนะถ้ามีปัญญาเนี่ยเป็นตัวคอยกําหนดคอยไข้ควรคอยพิจารณาเนี่ยก็จะเป็นไปในสิ่งที่ถูกต้องหลายๆคนเพียรผิดกันมาเยอะใช่ไหมในสังสารวัตรเนี่ท่าหนหลงบอกมิจฉาวายามาก็มีนะสัมมาวายามาก็มีนะฉะนั้นการเพียรเนี่ยนะเพียรในการที่จะละบาป ท, ทั้งหลายเนี่ยนะเพียรในการที่จะจัดการบาปเขาบอกอออพูดถึงความเพียรละบาปเนี่ยละปิดความเพียรในการป้องกันอละบาปเก่าเพามันบอกว่า ไม่ให้บาปเอระบาปเก่าในี่ยละยังไงบอกทั้งทั้งที่บาปอกุศลธรรมน่ยมันเคยเกิดมาแล้วเนี่ยจะละยังไงใช่ไหมบาปอกุศลธรรมมันเคยเกิดมาแล้วทําไมต้องมาละบาปเก่าเดิมที่เคยกล่าวบ่อยๆเนี่ยนะถามว่าบาปอกุศลธรรมไม่ว่าจะเป็นปาณาที่บาตินาทางการเมืองมิชฌาจารย์มุสาวาตปิสุนาวาจาพุทธสาวาจาสัมภะภาปะอภิชาพยาบาทและมิชฌาทิฏฐิถามว่าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นที่เคยทํามา ถามวบาปบาปอุเบกาธรรมเหล่านั้นเราเคยได้ละไดอยังได้เคยทํากระทานข้าพหารสมุเฉลข้าพหานได้ยังโดยง่ายยังเลยใช่ไหมไม่เคยได้คิดละอะไรเลยฉะนั้นแสดงว่าบาปประเภทนั้นยังไม่เคยละยังไม่ได้ถูกทําลายบาปเหล่านั้นมีโอกาสจะกลับยุเวียนเข้ามาสู่กระแสจิตเราอีกไหมมีใช่ไหมฉะนั้นมีโอกาสในการีจะเวียนกลับมาเข้าสู่กระแสจิตอีกท่านให้เพียรละบาปเก่าก็แปลว่าสมาทานในใจ การที่จะตั้งมั่นในการที่จะสมาทานในใจเป็นสมมาประธานนี่ก็คือสมาทานว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยวันนี้นับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเนี่ยบาปอกุศลธรรมที่เคยเกิดขึ้นในจิตของข้าพเจ้าเช่นโลภะโทสะโมหะ เ, เช่นเคยเห็นหน้าคนนี้ก็โกรธเห็นหน้าคนนี้ก็แปรเห็นหน้าคนนี้ก็เพลียกังวลเนี่ยนะ ต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจับไม่ให้บาปประเภทนัจจ้นไหลเข้าสู่จิตใจของข้าพเจ้าและตั้งแต่วันนี้ไปไปจน ก, กว่าที่ข้าพเจ้าจปะปฏิญพา ti. ก้าตั้เนะก็ขนาดคิดยังไม่กล้าคิดชวนในคิดยังไม่ยอมคิดคิดไปเถอคิดให้มากๆอันนี้เป็นสองเป็นสิ่งที่ควรคิดเป็นสัมมาสังกัปปะคิดไปเถอะ คิดบ่อยๆคิดบ่อยๆแต่ยังไปบอกว่าพอคิดปุ๊บสงสัยเราจะทําไม่ได้ใช่ไหมต่อไหม <c oughs> พอไปคิดไปไปเป็นอย่างนี้แต่ไม่งั้นก็มันก็เลยไม่ได้ต้องบอกว่าทํานะคิดบ่คิดบ่ในที่สุดจริงๆนั่นแหละไอ้การสมาทานในใจนั่นแหละจะเป็นปันใจจัยในการไม่ให้บาปเพราะบาปเนั้นจะมาเกิดสะดุ้งเลยใช่ไหมสะดุดงทีนี้จะบอกว่า พอพูด ถ, ถึงในตอนนี้เนี่ยพอพูด ถ, ถึงความเพียรมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติตแ็นึกถึงพูดถึงวิริยะก็พูดถึงปัญญ า, าถึงปัญญาปัญญามาถึงปริยัตถ้าไม่นึกถึงนึกถึงอะไรได้ไหมนึกถึงใ น, นเรื่องของการปฏิบัติอะตมาเนี่ยปปามาบ่อยมากไ ม, ม, ม, ม่พูดก็หลายครั้งพูดพูดก็หลายครั้งเขาบอกว่าเวลาบาปเกิดเให้รู้ว่าบาปเกิดเวลาบุญเกิดก็ให้รู้ว่าบุญเกิดเนี่ยก็คือ ถ้าไม่ให้บาปเกิดในใจเราจะรู้จักบาปได้ยังไงการคิดแบบเนี้ยดูเหมือนถูกแต่มันไม่ถูกก็พยายามบอกตลอดว่ามันไม่ถูกคืออกุศลเนะี่ยอย่าไปให้อย่าไปทดลองให้มันเกิดมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรทดลองให้เกิดใช่มเคยหลวงพ่มาบอกว่าโจรเนี่ยใช่ไห ม, ม, นนไหมถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นโจรเนี่ยมันเข้ามาในบ้านเนี่ยเราก็ยังเปิดประตูให้มันเข้ามาเนี่ย อันนี้ไม่ไม่ใช่วิธีปฏิบัติก็บอกง่ายๆคนก็บอกฟังแล้วก็นัน่นมีอยมเมื่มออาทิตย์เนี่ยนี่นั บ, บะอะไรเรา้งแอาทิตย์ก็บอก ท, ที่วันอีปังก็มีโยมได้นนะก็พ่อแกเป็นพระแล้วตาหมดเลยหน้ า, า, าภาพนี่คนหมดหมดหมแล้วภาพพาระผมมาเล่าให้เรามาคือท่านไม่เห็นออกมาเนี่ยท่านก็มาเล่าให้ปัอองว่ามีมีงูตัวเล็กมันอยู่ในในในในใ น, ใ น, ในห้อ ง, องเธอ นบ้าน เ, นเป็นงูเหา่าก็อยลูกมั้ธอเขาสงสารก็หาอาหารมาาใหมนเลืดก็มันเลอนก็วิ่งมากินแล้วก็ไปเรียนรองอย่างนั้นก็ปล่อยไมีไบบ่มตอนก็โตมือสักอาทิตย์นแล้วมันกัดเรียบร้อยไปแล้วเห็นมมันเป็นโ่ษจริงๆอกุศลแม้นิดหน่อยมันเป็นโทษยิงกวูตัวนัน มันเป็นโทษยิ่งกว่ามูดูนัไม่ควรให้เกิดไม่ใช่ว่าเออปล่อยมันเกิดไปเรียนรู้ดูมั น, มนไป ม, มันไม่ใช่เพราะมันมีสภาพเหมือนกับกุศลมันไม่เที่ยงไปทุก อ, อนาตจาเหมือนกันอย่าไปเข้าใจเลยมันเป็นธรรมะที่ควรละไม่ใช่เป็นธรรมะที่ควรจะเลยเข้าใจไหมเป็นธรรมะที่ควรละอย่าไปทํากิจอริยาสัตว์ผิดถ้าไปทํากิจอริยสาาัตว์ผิดเลยมันผิดคําสอน เราก็ดูอ๋เป็นอย่างนี้ดีเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางคนก็บอกอา้าถ้าเราไม่ถ้าไม่ให้อภัศศนเกิดเราจะรู้จักมันได้ยังไงว่าอภัศศน์นอะไรมาบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ความทุกข์ของหนอนต้อง ไ, ไปจน <c oughs> อนไม่เอาก็จริงๆเนี่ยไม่ควรจ้เกิดเพราะว่าจ้าสอนนี้ละใชละแล้วให้สมาทา น, นให้เกิด ตรงนั้นนั่นแหละท่าบอกเป็นวิริยะบารมีนะเป็นวิริยะบารมีการอดกลั้นโทษของศัตรูและสังขารด้วยการกําหนดความเป็นผู้ฉลาดใละบว้กุณาตั้งอยู่ในอัโทสจิตตุวะเกิดขึ้นในอาการของอัโทสานั้นเป็นคันติบารมีนะฉะนั้นคันติบารมีนะั้นองค์ทำได้แก่อะไรได้แก่อัโทสเจตสิกอัโทสเจตสิกนั้นประกอบในมหาภูสจิตตุวะ อาโทาสัต เ, เป็นความไม่โกรธ ด, ด้วยนะเฮเห็นชัดไหมว่าองค์ธรรมของเขามันคืออาโทาสัตคือความไม่โกรธไม่ใช่บอกว่านี่เรามีคันตินะแต่กัดฟันกรดนี่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่สภาวะของโทสัตแล้วอ อ, อาโทาสัตแล้วไม่ใช่คันตีแล้วคันตินั้นต้องอดทนต่อสัตว์และอดทนต่อสังขารเป็นต้นด้วนะอดทนต่อสังขารที่มันจะต้องประสบกับความทุกข์ใช่ไหม ถามวาสังขารนี่ประกอบไปด้วยชาติทุกชราทุกพยาธิทุกมรณะทุกไหมโดยเฉพาะพยาธิทุกในนะี้ทุกคือความเจ็บป่วยทั้งหลายอยู่มันเบียดเบียนกระแสะขันอยู่ตลอดเวลาไหมนะเนี่ยเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลามันะเผาอยู่ตลอดเวลาใครไม่รู้เลยนะว่าชรากับพยาธิเนี่ยมันกินสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาทุกเวลามันไม่เคยหยุดเลยมันเหมือนทูบที่จุดถูกไฟจุดแล้วมันไหมอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยหยุดเวลาเดินของมันเลยนะ มันไม่เคยหลอกหรือไหมไฟที่ไหมขอนไม้มันไหมอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นชาลากับพยาที่เนะี่ยมันไหมอยู่ทุกจุดของขันนะแต่เรามองไม่เห็นเลยด้วยปัญญาของเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ไข้ควรในชัดเจนใช่ไหมเราไม่เห็นเลยนะว่ากรณีที่ว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจไต อ, อ่ะอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นอะไรเนี่ยนะตลอดถึงเกี่ยวกันในเรื่องของสรีระทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ย นมามธรรมนั่นก็พูดไปนะเพะว่าไปเพราะรวดเร็วเหลือเกินแต่ใ น, นส่วนของรูปธรรมเนี่ยถามว่าชาราเนี่ยมันคือคล้องงำอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ลุกไล่อยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วมันมันก็ไปไปเยอะแล้วส่วนพยาที่มันกัดกินอยู่ทุกจุดทุกอนุของร่างกายนั่นแหละนั้นไม่มีเลยว่าที่ตั้งของรูปธรรม ท, ทุกจุดที่จะไม่มีพยาที่อาศัยอยู่ แต่เราท่านทั้งหลายไม่ได้ไข่ควรไม่ได้พิจรารณาเราจะนั่งเราจะยืนเราจะเดินเราจะนอนอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ถูกไลร่พยาธิกัดกินอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมในที่สุดจริงๆมันก็เบียดเข้าไปหามรณะจนได้มันก็เบียนเบียนบีบคั้นไปหามรณะจนได้หลายๆคนที่นั่งอยู่นี้เราไม่รู้เลยใช่ไหมเราจะหายใจอยู่ในโลกไปได้กี่ครั้งแล้วมันจะเบียดเบียนไปจนถึงมรณะในที่สุดจริงๆชีวิตก็แตกดับ ไม่มีสาระเลยใช่ไหมถ้าเราจะมานั่งยืนนอนยืนหรือนอนนั่งยืนเดินนอนรอความตายเนี่ยโดยชนิดที่ไม่ทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสของขันห้าเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยขันจะไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์อะไรจะไม่เจรณาตั้งแต่ผมยันเท้านี่นะจากเท้ายันผมอย่างนั้นในกาเลวารานี่นะติยาวานาคือ น, นี่นะที่ประกอบไปด้วยเทวานตาทวานุเทาวานจงหนทาวาน ทวารลิ้งทวานกายนี่นะแล้วก็ะวารหนัก ท, น, ทน้ำอมที่มีสาระของความวามเป็นต้นเหล่นี้เลยไปพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเรารู้จริงๆด้วยอวันหนึ่งวันหนึ่งเราควรจะปลูกเราถึงจะทำให้เกิดขึ้นไดนะ้ไหศรัทธาในตถาคตาโพธิศรัทธามีไหมวิญญสติสมาธิปัญญาเป็นต้นมีไหมถ้าไม่มีก็ปลุกเราให้เกิดที่ดีขึ้นเลยมั้งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องใครควรเพียรพยายามและต้องเร่งรีบเลยนะ และตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหวกําหนดด้วยความผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาจิตเกิดขึ้นโดยการเห็นการตั้งสมาทานไม่หวั่นไหวเป็นอธิฐานบารมีการนําประโยชน์สุขให้กับสัตว์โลกกําหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณานะีอันนั้นโดยใจความเพื่อแก่ความไม่พยาบาทนะมีเมตตามีความปรารถนาดีมีความเอือ้อพรต่อสัตว์ทั้งหลายใช่ไหม สภาพของเมตตาเนี่ยมันไม่ได้คิดอยู่ที่ใจอย่างเดียวเนี่ยมนันวิ่งออกไปเลยนะเวลาเราคิดออกไปเนี่ยถามว่าเราวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดถึงบุคคลอื่นมากมมากเหลือเกินใช่ไหมแต่เชื่อไหมความคิดของเราทุกๆความคิดที่ไปนั้นเนี่ยเมตตาไม่เคยเกิดร่วมกับความคิดเลยดูขนาดนั้นเนะีย บางครั้งเนี่ยเราจะเมตตาเราจะมีความเมตตามีความรักความปรารถนาดีกับเขาขอให้เขามีความสุขปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานขอให้กระแสขันของเขานี่จงตั้งมั่นในทางกุศลศีลกุศลแล้วก็ภาวนากุศลดําเนินไปในสุขติเป็นส่วนมากและในที่สุดจริงๆให้กระแสขันอันนี้พ้นทุกข์โดยง่ายโดยเร็วด้วยสะดวกโดยฉับพลันเนี่ยเคยคิดแบบนี้ไหมเมตตาเคยวิ่งถึงขนาดนั้นไหม บทีไม่เคยว้นาด้เลยใช่มมันเหมือนจะไม่เคยมีเวลาคิดยังไงก็ไม่รู้เนทั้งๆวันวันึ่เราก็มองเห็นคนสนทนากับคนเยอะๆมันกายกรรมก็มีตาจิกรรมก็มตาก็ไม่เดินโดยเฉพาะมันโนกรรมแหงแรงเลอเินี่ยนะอันนั้นต้องกลับไปทบทวนใหม่นะอีทไมเมตตาบารมีไม่เคยเกิดเลยใช่หเอาเราจะปลูกบารมีไว้ในตนแล้วเนี่ยไหเราจะปลูกสัตว์ไว้ในตนแล้วเนี่ยเราจะเมตตาใครเละถ้าไม่เมตตาสัต เออถ้าไม่มีสัตว์เป็นอารมณ์เราจะมีใครเป็นอารมณ์เนี่มั้งเราก็ต้องเมตตาแล้วเมตตานะั้นมันต้องออกแบบมากับท่าทางนะเมตตากายกรรมเป็นยังไงต่อหน้าเป็นยังไงรอบหลังเป็นยังไงก็ต้องไปศึกษาไปคนว่าเมตตาวจิกรรมต่อหน้ารอบหลังอย่างไรเมตตามโนกรรมต่อหน้ารอบหลังอย่างไรเนื้าระนะโพกีเนี่ยแบ่งปันเนี่ยมีซับแลือแบ่งปันซับเนี่ยเออแบ่งปันด้วยเมตตาอย่างศีลธรรมมัญจาที่ติสามัญญตาเป็นต้นนะในหลักฐานหนะครับ ฉะนั้นในหลักของเมตตาบา ร, รมีนะี่ยต้องเจริญต้องอบรมอยู่ตลอดนะนะกําจัดความยินดีความเย็นร้ายอันหนดเป็นความเป็นผู้ฉลาดในอุบายกรุณาเน้นความเป็นไปในเสมอในสรรและสังขารทั้งหลายที่น่าปรารถนาและไม่ปรนนบารารถนาก็เป็นอะไรเป็นทานบา ร, รมีนะประการต่อไปนี่นะเมื่อท่านว่าโดยลักษณะต่างๆเหล่า น, นี้เป็นต้นได้กับทานบา ร, รมีมีการบริจาคเป็น ล, ลักษณะนะแล้วก็มีการกำจัดโลภะในทายธรรมเป็นรด ฐานบารมีเป็นอย่างนี้เ อ, อจิตใจในการบริจาคเป็นลักษณะการบริจาคเป็นลักษณะก็คือลักษณะของจิตใจที่มีอะไรมีอโลภะ ธ, ธรรมีเจตนารธรรมอภัยทานก็ว่าไปไม่ธร ร, รมดานก็ว่าไปใช่ไหมมันจะมีอย่างเนี้ยลักษณะจะให้เหมือนว่ารู้พระธรรมแล้วอยากจะให้นี่เป็นทภยทานก็เป็นธรรมทานก็ให้ธรรมทานใช่ไหมรู้พระธรรมไหมแปาก น, นาว่า เรารู้แล้วก็ประกาศนาจะบอกให้เขาดูไม่เก็บงําเข้าไว้ไม่เก็บงำเขาไว้อยากจะเปิดเผย อ, อยากจะบอกเนะี่ยพระเจ้าหนูรู้สติปัฏฐานสมัมปัฏฐานอิธิบาทอินท ร, รียพระราโคชอธิยมมีมองแปดรู้หมดเลยนะึกรู้ขันห้าญตินั้นสิบสองพสิบแปดสัจจะสีินรี่ยี่สองรู้ปฏิจจสมบัติรู้หมดเลยนะึกรู้พระธรรมต่างๆเหล่านี้กลิ้งหมดเลยเนะี่ยก็ประกาศนาจะให้ถ้าสัตว์รับได้เท่าใด พระองค์ก็จะให้เท่านั้นดายเรารับเอง น, น้อยใช่ไหมพระธรรมของพระพุทธเจ้าน้อยมากพระพุทธเจ้าแจกพระธรรมมามากมายนะแต่เราสร้างบา ร, รมีไม่มั่นปัญญาบา ร, รมีแล้วก็สร้างรองรับพระธรรมพระพุทธเจ้าไม่พอใช่ไหมวิริยะบา ร, รมีก็ไม่พอขันติบา ร, รมีก็ไม่พอเมตตาเรื่งตางนี้นะเราสร้างมาให้น้อยก็เลยรับอยายะ หรืว่าป ja ัญยศัพของพระเจ้าได้ไม่ไม่ชัดก็เลยแม้ได้รับแบบหลงหลงลืมลืมเนียนโดยส่วนมากเลยนะมาพิจารณาอย่างนี้อยู่นีต่อไปไม่ได้แล้วต้องบ่มเพาะบารมีแล้วเวลาจะรับพระธรรมเทศนาจะได้รับได้ชัดเจนขึ้นฉะนั้นมีการไม่เยื่อยายด้วยนะมีการมีการกำจัดโลภเพราะว่าอโรภณ์าทานเนี่ยอโรภณ์าทานเนี่ยเขากำจัดโลภเพระฉะนั้นการการให้เนี่ย ในขณะที่ผู้ให้เนี่ยสิ่งที่ผู้ให้ได้เต็มๆเลยก็คือกําจัดโรคภัยกำจัดกกําจัดความโลคในทแยตในทในวัตถุทานันนั่นเป็นต้นความตัหนีใช่ไหมความตัหนีเนี่ยมันตำหนีหลายอย่างนะตำหนีวัตถุก็ไรใช่ไหมทานนนวัตถุก็เป็นที่ตังของความตัหนีท่านทัดบริจาควัตถุก็กําจัดความตันหนีในสิ่งนัอภัยยาทานเนี่ยตำหนีอะไรตำนีอะไรตำหนีความอาฆาต ว่าความมาค่าจะหาบอกไม่ได้หรอกโกรธมานานแล้วไม่กล้าไม่กล้าเอาไปให้เสียดายเคยเคยเสียดายเคยเคยเสียดายอาคัรมีบางคนไม่เผาบอกจะไม่เผาจะไม่เผาศอกจะไม่เผาทีโอ้โหเล่นอะไรกเลยไม่ไม่เผาเลยมีมีไปได้หรือมาตังค์ ตายไปไม่เผาไอ้เร่งไม่เผาคุณหญิก็เผาใช่ไหมไอโยกไอยกเหม็นก็ก็เผามัเลยไปคิดทำไมไม่เผาไม่เผาไม่เกี่ยวดูเหมือนเป็นคาโก้เลยก็นคำว่าไม่เผาเลยพูดกันติดปากเป็นหลายศตวรรษหลายชั่วคนว่าจะไม่เผาศพจะไม่เผาผีกันน่าจะเล่าพูดเลยใช่ไหมเดี๋ยไปเตืนหนีเลยเอาภัยอภัยเลยสลับไปเลยนะ แล้วยางก็คือว่าธรรมทานเป็นต้นก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นก็กว่ามีภาวะสมบัติแล้วก็ภาวะสมบัติวิภาวะเป็นปัจจุปทานแล้วก็มีวัตถุอันควรบริจาคเป็นประฐานไปชั่นถ้าศีลบา ร, รมีก็มีการละเว้นเป็นลักษณะซึ่งท่านอธิบายมีการสมาทานเป็นลนะักษณะมีการตั้งมั่นเป็นลักษณะมีการากําจัดความทุกข์ศีลเป็นลดมีความ ไม่มีโทษเป็นรถมีความสะอาดเป็นปฏิบัตานมีเรี่องอุปสเป็นประธานเป็นต้นก็ในรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะนั่นคือลักษณะอย่างปารมีทั้งหลายที่ท่านนะลักษณะรักษาปฏิบัานประธานในหนังสือนะั้นจนในรายละเอียดนั้นอ้อก็ทอดไปว่าอีกทีแต่ที่ต้องการที่จะน้อมเข้าไปถึงในช่วงเวลาอันจํากัดนี้นะต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้เห็น มหาบุรุษหรือว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านมีอุปนิสัยในในการที่จะโน้อมไปวิเยียงไปเนี่ยนะคืออัตยาสัยของพระโพธิสัตว์ของมหาบุรุษนั้นน้อมไปน้อมไปโอนไปในไหนน้อมไปโอนไปแล้วก็โน้มไปในสัมมาสัมโพธิญาณโดยส่วนเดียวกันนั้นชั้นใดการประพฤติประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายก็ชั้นนะนั้นฉะนั้นทั้งมหาบุรุษหรือพระมหาสัตว์นั้นดำรงความตั้งใจแน่วแน่ เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณในสำนักของพระเดจจ้าในการกนด้วยใจและด้วยวาจาว่าแม้เราก็เป็นจะเป็นเช่นกับพระสัมมาสัมุทธเจ้าพระองค์นี้พึงยังประโยชน์สุขให้สมเด็จแก่สัตว์ทั้งหลายโดยชอบเช่นกันมหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์นะั้นมีอุปนิสัยอันสมบูรณ์อย่างนี้จึงมีเพศที่ทำได้ยิ่งใหญ่พิเศษนะนะ มีการกระทําที่ยิ่งใหญ่ต่างจากโพธิสัตว์และกับปัจเจกับโพธิสัตว์ทั้งด้านอินทรีย์และด้านปฏิบัติและด้านความฉลาดเขาบอกว่าในบรรดาโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสาวกโพธิสัตว์ก็ดีหรือว่าปัจเจกับโพธิสัพพ์เป็นต้นก็ดีนะมหาโพธิสัตว์หรือว่าสัมมาสัมโ พ, พ, พ, พ, พ, พธิโพธิสัตว์นี่ยนะบุคคลที่ปรารถนาที่ยิ่งใหญ่นะั้นต้องยิ่งใหญ่กว่าปัจเจกับโพ โพธิสัตว์นะหรือว่าสาวกโพธิสัตว์นะั้นเพราะว่าในด้านไหนบอกว่าในการกระทําที่ยิ่งใหญ่ต่างจากสาวกก็ต่างจากพระปัจิตรอินทรีย์ก็ยิ่งใหญ่กว่าการปฏิบัติในด้านความฉลาดเป็นต้นก็ยิ่งใหญ่กรุณาก็มากกว่านี่นะคนอื่นในโลกนี้ปฏิบัติไม่ได้เหมือนอย่างมหาบุรุษพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยมีอินทรีย์บริสุทธิ์แล้วกับณานะ ก, ก็บริสุทธิ์คือ ทั้งสัตินีวิริยินีสตินีสมาตินีนะยาณคือปัญญีนะีเนี่ยบริสุทธิ์มากมหาบุรุษนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนะไม่ใช่ประโยชน์ตนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตนเพราะถ้าเพื่อประโยชน์ตนก็สําเร็จแล้วตอนหน้าพระจีบังกรสัมมาสุตติเจ้าใช่ไหมที่เหลือทั้งหมดนั้นเพื่อประโยชน์ผู้อื่นถ้าพระพุทธประโยชน์ตนเองก็จบตรงนั้นไม่ต้องมายืนยาวเสียสงขา ย, ยิ่งด้วยแสงกลับ เห็นไหมจากเสียสมคายยิ่งด้วยแสนกลับเนี่ยที่ว่าผมนับไม่ได้เลยนะมากมายกายกองนับเนี่ยถามว่านะเพื่อผู้ไม่ใช่เพื่อตนเป็นความจริงนะคนนอกนี้ไม่ได้ปฏิบัติอย่างมหาบุรุษที่จะปฏิบัติประโยชน์เพื่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แต่ชนหมู่มากเพื่อดูข้อโลกเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขแต่ชนหมู่มากเพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแต่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจําได้ไหมพุทธพจน์ที่พระเจ้าตรัสตอนที่หลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วแบบให้สาวกเวลากาศาสนา ใชตอนในภาษาแรกพระเจ้าตรัสยังไงเจริญธรรมพิคเวจริการบูชนะฮิตายาบูชนะสหายะโลกาดูการปายะเดวมดูสารนาไปต้นใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ค้นแล้วนี่ยจากบว่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็เป็นผู้ค้นแล้วจากบว่ว ง, งทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เอาบ่วงคืออะไรพ้นจากบ่วงคืออะไร พนจะบ่วงเลยนะ <c oughs> วัตถุกรรมในรูปสิงกิตตรสนี่ถือเป็นบ่วงไะบ่วงในโลกนี้เป็นบ่วงของมนุษย์นะถ้าบ่วงตองพวกเทวดาทั้งหลายเขาติดกันไหมเทวดาในติดวัตถุกรรมติดวัตถุกรรมนั่นแหละแต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านพ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของพิสทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เราเราในที่นั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตวานนะ <c oughs> คือพราะพุทธเจ้าก็เป็นผู้พ้นแล้วจะบ่วง ท, งทั้งที่เป็นของท่าน ท, ที่เป็นของมนุษย์ท่านถึงบอกว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวจารีไปเพื่อเพื่อประโยชน์นะเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อดูข้อโลกเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากนะเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นใช่ไหมอันนั้นคือเป็นพุทธพจน์ที่พุทธเจ้าตรัสบอกแก่ภิกษุสงฆ์หกสรูปหมากรุษย่อมนํามาซึ่งความเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์สุขนั้นเพราะตะฏี ผานอันเกิดขึ้นตามฐานะและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและอัถานะนั้ในที่สุดจริงๆเนี่ยความฉลาดตรงเนี้จะทําให้ต้านได้อาศยานุสยญาณญาณนะที่รู้ฐานะและอนะัถนาเพิ่งทราบลักษณะและทันบารมีของหมาบุษนั้นมีอัจฉริยะใสาในฐานะเป็นเบื้องต้นก่อนนะหมาบุษนั้นตามปกติเป็นผู้มีอัตยารัยในฐานนะยินดีในฐานะเมื่อมีทายธรรมย่อมให้ทีเดียวเท่ากัถ้ามีละให นี่คือหมหาบรุษนะไม่เบื่อนายจากการให้ทานให้ยังไงก็ไม่เบื่อสละยังไงก็ไม่เบื่อนี่นะการให้การสละการบริจาคเนีย่ยให้ยังไงก็ไม่เบื่อบริจาค ย, ยังไงก็ไม่เบื่อนี่นะเป็นผู้มีปกติจแจกจ่ายเนืองๆแจกจ่ายสม่ำเสมอและในขณะที่แจกจ่ายไปก็มีความเบิกบานมีความเอื้อเฟื้อในการให้มีความสนใจให้ท่านให้ทานแม้มากมายก็ยังไม่พอใจใยการให้ บอกให้ยังไงก็ไม่ค่อยอิ่มนะให้ขนาดนั้นเลยลักษณะคือจิตใจก็ไม่ยิ่มให้ไปเรื่อยๆเนี่ยใจก็น้อม ม, มีคุบอัธยาศัยในการที่จะให้ผูกพันกับการให้นในสังสารวัติเนี่ยะไม่ต้องพูดถึงให้ทีละน้อยนะเมื่อจะยังอุตสาห์หายเกิดแก่ผู้อื่นนะย่อมกล่าวถึงคุณในการให้ท่านไม่ใจให้เองนะท่านก็กล่าวว่าอต้อง ท่านกล่าวบอกว่าท่านทั้งหลายถ้าปราถ น, นาจะพ้นทุกเนี่ยท่านต้องให้อย่างพระพุทธเจ้าเนะคําว่าอยางเนี่ยให้เหมือนเน่ยไม่ใช่เท่านะอะไรเงี้ยนะถ้าปราถ น, นาที่จะเป็นพุทธะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพุทธะป็ะเภทไหนในใจที่ตั้งกันไว้เนี่ยท่านต้องให้นะต้องมีความเพียรมีความอุสาหาในการให้ท่านก็แสดงธรรมที่ประจัติที่ปฏิสังยุทธิการให้เลยนประกาศบอกว่าการให้ดีอย่างไรใช่ไหม ท่านก็แสดงว่าท่านเห็นคนเหล่าอื่นนะก็พอใจและให้อภัยกัคนเหล่าอื่นในฐานะที่เป็นที่อภัยนะท่านก็คือนี่ลักษณะการให้ทีนี้ลักษณะในการที่ท่านมหาุรุตินะเวลาท่านเป็นผู้ฉลาดเนะี่ยในการให้เวลาในการให้ของท่านเนะี่ยในการพิจารณาก่อนค่าควรก่อนแล้วก็ฉลาดในการที่จะให้เป็นต้นเหล่านี้ยเมื่อ ทานพิจารณาในลักษณะอย่างนะี้มีอัตฉริยาสายในทานเนะอัจฉราสายในทานบารมีพระโพธิสัตว์นะ่ยะพืชเพื่อโพธิญาณ น, นะความเป็นผู้อัตฉริยาสายในทางของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่นะเป็นผู้เห็นโทษในความตณีอันเป็นปฏิบัติต่อทานนะบารมีนะ้จึงบำเพ็ญทางบารมีให้บริบูรณ์โดยชอบเป็นต้นอในนะี้นะะ ถามว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยในศีลไหมเห็นโทษในความทุกศีลเป็นต้นท่านก็ประพฤติศีลโดยชอบเป็นต้นเป็นไปตามลาดับทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของทานบารมีเป็นต้นเหล่านี้นะท่านพิจารณาเห็นโทษและเห็นอานิสงส์ตามลําดับดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยการไม่บริจาคและการบริจาคเป็นต้นน่ยท่านพิจารณาเห็นโทษเห็นความเห็นคุณของการบริจาคเห็นโทษของการไม่บริจาคเมื่อพิจารณาแยกแยะด้วยสติปัญญาชอบเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นแหละเป็นปัจจัยแห่งทานบารมีเป็นต้นเหมือนกัน ในคำเหล่านั้นท่านก็พิจารณาบอกว่าธรรมดาวัตถุทั้งหลายที่เราห่วงเหนเนี่ยเป็นของธรรมมาซึ่งความพิเศษน่าใจรวมนะีสัตว์ทั้งหลายผู้มีใจคล่องอยู่ในทรัพย์สมบัตินะถามว่าเรามาพิจารณาดูที่เราเป็นสัตวโนะ์โลคนีโรคหรือสัตว์ที่เป็นผู้มีใจคล่องอยู่ในที่ดินสวนเงินทองไล่นาโครกระบือทาสหญิงทาสชายบุตรภรยาเป็นต้นยังไงคล่องคลอ ง, อ, งอยู่ในการงานในธุรกิจในทรัพสมบัติต่างๆถามว่าข้องแวะไหย มีความติดข้องมีความยึดติดในวัตถุเหล่านี้เป็นต้นไหมก็ต้องบอกว่ายึดติดใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าสัตว์จะเป็นผู้ที่ติดแน่นไหมกระแสใจของสัตว์เนี่ยติดแน่นในวัตถุการมอย่างเหนียวแน่นมากถามว่าอะไรเนาะที่จะกระชากใจเราให้หลุดจากวัตถกุกรรมได้บางครั้งบางคราวได้นอกจากการให้มีเลยใช่ไหมท่านก็บอกให้พิจารณาบอกว่าทรัพย์สมบัติตา่ตางๆเหล่านี้เป็นเหตุ น, นํามาถึงความทุ่งยานะ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติคือที่ดินทรัพย์สมบัติคือไลอ่นาเงินทองเป็นต้นกระบือธาตุหญิงธาตุชายเป็นต้นเหล่านี้ถามว่าทรัพย์เหล่านี้มีความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาาันตานีตัวมันเองเบ็ดเสร็จนะทีนี้ทำมาพิจารณาเห็นความผิดน่าเพราะความสมบัติมีที่ดินเป็นต้นเนี่ยมีคนอยากได้มากไม่สมบัติเหล่านี้โอ้โหใครก็อยากจะได้ ถามว่าทุกคนที่หน้าตามค่าเพียดกันในการออกทํางานตั้งแต่ตีห้าตีสแต่ละวันเนี่ยรถติดเต็มกรุงเทพเนี่ ย, ยาถามเขาไปทําอะไรกันนั่นคือการแสวงหาทรัพย์นั่นคือการแสวงหา อ, าห า, อาหารถามว่านักศึกษาทั้งหลายที่เรียนกันอย่างค่ำเพ่งเนี่ยถามเขาต้องการจบมาแล้วเขาต้องการจะไปหาอะไรเขาต้องการจะไมปอาช็อปอยู่ไหมบางคนก็ตั้งอัธยาศัยผิดบางคนก็ตั้งอัตยาศัา ย, าายถูกชูกไหมทั้งทั้งที่จะแสวงหาพาแสวงหาซัพย์เนี่ย ยกตัวอย่างเช่นว่าปราถนาอยากจะแสวงหาทรัพย์อยาจะไปเรียนหนังสือก็อุ้เราจะต้องออกไปประกาศมารับรองให้ได้เพื่อจะให้รีดได้ทรัพย์มันเลยอะไรไหมเลยการพัฒนาตัวเองไปเลยทุกวันใช่ไหมทั้งๆที่อีกใบประกาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลโดยตรงมันเป็นผลโดยอ้อมนะใช่ไหมได้ผลโดยตรงของการเรียนของการศึกษาของการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันเลยมองเลยเลยไป แทนที่จะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถหรือทักษะหรือมีความก้าวหน้าในวิชาการที่ตัวเองเรียนตัวเองรู้มากขึ้นมันไปห่งศาสตว์โลกไงเพราะตัณหาครอบงามทิฏฐิครอบงมเนะี่ยโมหะครอบงามันไปแล้วที่เอาใบประกาศให้ได้ก่อนเราได้ใบประกาศกีนะ่ใบกี่ใบกันมาเน่ยเครื่องยืนยันในการจะหาทรัพมันจะได้มาด้วยวิชีไหนก็แล้วแต่ไม่นั่นแหละคือเครื่องรับรองในการได้ทรัป็นที่ต้องการทางศัตร์โลกจริๆๆนะงๆเลยนะก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้มันโดย ไอ้มันเป็นผลโดยอ้อมนี่ยไม่สำคัญมัเป็นผลโดยโดยตรงดีไหสุขทุกไปเลยเอาไปตั้งไว้ใบรประกาศวันก ว, นกวน่าเยอะหรือวจะได้ใบรประกาศมาบนเจ็ดปีหกปีสี่ปีมากวจะได้รับความสุขว่าได้ใบรประกาศตอนตายก็ไกีิดถึงป้ายลติดไว้ให้คนอื่นอาบนิสทำบนนี้เรียนจบปริญญาเอาไหนะ้น่าชื่นใจแท้วันก่อนก็ทำบุญบ้านก็มีมรกก็ ทำบุญวันครบรอบจบปริญญาคารมาก็ไปโอ้อคนที่รับมีหน้าตาสวยงามไอคนที่ทำบุญนี่ต้องถือไม่ทา้าเปียกๆล้วจำไม่ได้โอ้ยยังพ ย, ยายามยิดลูกเก่าอยู่เนะพยายามจะมาโจมนี่ไงฉันจะจำไม่ได้ไงพยายามจะบอก นี่ใส่ชุดอนี้รับจากมือพระอาจ์ได้ไหมนั่นโอ้ oh. วัตถุกรรมนีเนียวแน่นจริงๆเนาะสัตวโลกนีดึงดึงออกอย่างฉันจริงๆว่าเป็นที่เป็นที่อยากได้มากเป็นวัตถุที่น่าปรารถนาเป็นสาธารณะแก่ไผ่นะราชไผ่จุฬไพรอัคคีไพรทุกขไพรวาระไพรไผ่มากมายหมดใช่ไหมถามว่ามีทรัพย์เหล่านี้มีไว้ก็เป็นที่ตั้งของไั่ต่างๆเหล่านี้ ยึดบ้างโจรป้นบังไฟ ไ, มไหม้บ้างยังงแล้วก็น้ำท่วมลมพัดวิบัติบริหารไม่ดีบ้างอะไรก็แล้วแต่ลูกหลานทะเลาะยิงแย่งชิงกัินะโอ้โทษมากมายเป็นที่ตั้งเหตการวิวาทไหมก่อยเกิดศัตรูนะก่อยศัตรูญาติกันนี่แหละวี่ี่แค่สอบเดียวเนี่ยขึ้นศาลเนเะ ส, สียงเงินไม่ว่าแต่ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีก็แลนะ้วนโอ้ยเถียงกัน เล่นสามสารด้วยเห็นไหมแค่นั like general, ้นแหะเป็นเหตุแห่งการวิวาทะแย่งชิงกันนะท่านเป็นบ่อบ่อเกิดได้เกิดศัตรูเป็นที่มาไม่มีแก่นสารเพราะเป็นเหตุให้เบียดเบียนผู้อื่นทั้งในการได้มาและการคุ้มครองการได้มาก็เบียดเบียนผู้อื่นการคุ้มครองก็เบียดเบียนผู้อื่นอย่างมากมายเนี่ยโอ้โกลัวจะได้ที่ตรงนั้นมาเนี่ยอ้โหแสนจะยากแสนจะลําบากเมื่อได้มาแล้วโอ้แสนจะเบียดเบียนเนี่ย ไอ้การซื้อการการการที่เราจะไปซื้อที่สักที่ในการที่จะไปทำ ป, ป, ปลูกบ้านปลูกบริษัทนี้เราจะต้องเบียดเบียนคนเยอะมั้ยโหเบียดเบียนสัตว์เยอะเลยเนาะก็จะได้มาก็เบียดเบียนบางคนก็แย่งกันนะแย่งกันก็มีการประมูลกันโอหเบียดเบียนกันนะก็จะได้เนี่ยนะพอได้มาเบียดเสร็จนี้ก็เริ่มสร้างโอ้เบียดเบียนคนอื่นเยอะเลยเนี่ยนะที่เจอก่อนก็เอบบาบยสัตว์เลยนะโดนเอายสัตว์ตายเยอะตายหลายล้านปู เบียดเบียนกันไปนั่นเป็ น, ปนยิ่งมีทรัพย์มากยิ่งต้องเบียดเบียนทรัพย์มากกันะทาได้เบียดเบียนในขณะการแสวงหาและการคุ้มครองท่านคิดเองท่านเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเนื่องกับทรัพย์สมบัตินั้นเพราะนํามาซึ่งความมีหน้นาหลายอย่างมีความะอะไรเดียวทาเป็นที่ตั้งของชาติทุกข์ไหมชาติทุกข์ชราทุกมรณะทุกสโสกกาลปเดียวทุกปฐมนาศาราอุบายาบางทีเราไม่เคยคิดนะว่าการมีสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นที่ตั้งของชาติทุกข์ นะถามาเราเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเราจรึงต้องมาเกิดอย่างๆแล้วพอมาเกิดแล้วมันตามมาเยอะเลยอยทีเนี้ยชราพยาชิไหมอร์นะโราโสโกาบริเดวทุกขเทมลัสสาวุปายาตไหลตามมาเป็นแถวหมดเลยนี่มันมาจากการที่เรายึดติดในทรัพย์นี่เองเป็นติ่งของความสศกความร่ำไรลำพังความไม่สบายกายความไม่สบายใจความก้าวแคบใจแกทรัพย์ผู้มีจิตถูกมลทินนะคือความตนหนีรุมแล้วเนะี่ แค่นคนที่มีความันหนีรุมเล่าแล้วก็จะถูกสิ่งต่างๆรวมเล้าเพราะเป็นเหตุให้ไปเกิดในไหนในอบายทุกติวิบัติในโกไปเกิดเป็นเปรตบางอจุรกายบางสัจจะฉาสนสันรบเป็นต้นการบริจาคการสละทิ้งซึ่งวัตถุเหล่านี้จึงเป็นความสวัสดีอย่างยิ่งนี่วิธีเชิดงูดานมือถือ บอกว่าการสละการให้การบริจาคเราไปเป็นความสวัสดีเพราะเหตุนนะั้นจึงควรทํำฟังไม่ประมาทในการบริจาคทางท่านไม่ประมาทท่านคิดบ่อยๆ อ, อัขยาสัยท่านน้องไปในการให้น้องไปในการที่จะตักน้องไปในการที่จะสละเลยไหมอีกอย่างหนึ่งนะท่านพิจารณาผู้ขอเมื่อขอเป็นผู้คุ้นเคยของเราไหมผู้ขอเนี่ยเมื่อเขาขอเราเนี่ยเขาคุ้นเคยกับเราไหมคุ้นเคยนะเพราะบอกความรักของตน เขาบอกความลับของตัวเองถามว่าถ้าเขาไม่ขอเราเราจะรู้ความลับเขาไหมว่าเขาหิวว่าเขาต้องการว่าเขาอดว่าเขาทุกข์ว่าเขาทรมานอันนี้เขากระเที่ยบอกความลับนั่นอย่างหนึ่งนะถือว่าอย่างหนึ่งและเมื่อในลักษณะเนี่ยเป็นผู้แนะนําเราไหมแนะนําเราเขาบอกเาว่าไงบอกจะถือเอาของที่จะติดตอนไปสู่โลกหน้าถามว่าโลกเนี่ย ขันของท่านเนี่ยถูกชาติชราพยาธิมระถูกความโศกความล่ำลารล่ำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจถูกไฟคือราคะโทสม oh ามโมหะเผาหล่อยู่ตลอดเวลาขันของท่านถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาในสุดก็ต่างถามว่าเขาเข้ามาบอกความรับกเราเมื่อไหร่ที่เขามาขอบอกว่าท่านไปฝากที่ทธนาคารท่านเอาไปไม่ได้ อ๋อฝากยากก็ได้ไไไใ่ไหมก็ไปไม่ได้ใชไหมคัท่านจะไปอย่างไรในสังสารวัตที่ท่องเที่ยวไปเพราะธนาคารไม่มีการโอนข้ามชาติไม่มีใช่ไหมใช่แต่ถ้าท่านฝากเราไว้เราจะเป็นมอกให้ท่านถ้าท่านให้เราดีๆนะเราก็จะไปให้ท่านดีๆถ้าท่านให้เราอย่างนอกน้อมเราก็จะไปทูนเก้าถวายท่าน จะเอาไหมมันน่าเอาไหมจ๊มมอยู่เฉยๆก็มีคนขอโอกาสจะเข้าเป้าถวายแลวเวลาไปหวายก็ต้องน้องก็ไปด้ยนะแล้วบางทีต้องเลี้ยงคิวเป็นปีนะีกว่าจะถวายได้บางแห่งนี่นะคุณเชนิญนี่นะเพื่อให้ไปรับนี่นะโอ้โหกว่าจะได้คิวถึงเราเนู่ รอต้องเป็นสิบปีแล้มีจริงๆเนึ่ยเป็นสิบปียี่สิบปีกันที่อยู่ไกลๆนะปลาทต่นนะบางคนนี่แต่งชุดรอได้สี่ชุดแล้วว่าตัดชุดที่จะตัดชุดที่งรออยากจะเข้าเป้าเพื่อทูลเก้าถวายขนาดนั้นเลยท่านบอกว่าให้เถอใช่ไหมไอ้ น, นี้อันนี้ท่านถามพระโพธิศัตว์ท่านเห็นหมดไหมท่านเห็นแต่ท่านไม่ได้ตั้งไว้ที่ตรงนี้ แต่จริงๆอัตยาสายท่านตั้งไว้ที่สัมมาสัมโิยาณ น, นุแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นผลคอยได้มันไม่ใช่ผลโดยตรงมันเป็นผลโดยโอ้อมไม่ปรารถนาท่านไม่ได้ปรารถนาตรงนี้แต่ทําไปแล้วมันได้คือเล่าให้ฟังตรงนี้นะท่านเล่าความลับตรงนี้ฟังว่าทานเป็นแบบนี้ถ้าท่านทําแล้วเนี่ยไม่ต้องแล้วในที่สุดจริงๆท่านจะอยากจะปฏิเสธเหมือนในพานเนี่ยหนีมาแรงวันเนี่ย ใครเคยเบื่อซับเ่โอ้โหมันมันรวยมากเกินไปแล้วเราเนี่ยจะค่ดมองไปที่ไหนมันก็เต็มไปหมดเนี่ยเคยมีความรู้สึกอย่นี้มันบริจาคยังไรก็ไม่หมดบริจาคอย่งไรก็ไม่หมดอย่างนีเคยถึงขนาดนี้มั้ยพระพุทเจ้าพระพุทธเจ้าบริจาคอย่างไงก็ไม่หมดบริจาคอย่งไรก็ไม่หมดใช่ไหมคือบริจาคจนขวดถึงสุดยอดของการบริจาคแล้ว ในที่สุดจริงๆไปที่ไหนโอ้โหเนี่ยดูคนต้อนรับพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเนี่ยถ้าหากจะเดือดร้อนแม้นนิดหน่อยเดือดร้อนไปยนันนู่นเพราะว่ากระผมเดือดร้อนไปขนาดนั้นนะทางของท่านจะสเทือนเลื่อนลั่นไปขนาดนั้นนั้นทุกคนจะต้องมาอำนวยความสะดวกให้เบ็ดเสร็จหมดอย่าแปลกใจบารมีของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มาหัว า, ายนะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละท่านถึงบอกว่าเมื่อโลกถูกไปคือปรณะธาเขา บ้านกระถูกไฟไหม้นี่นะเป็นสหายช่วยขนของเราไปในโรกหน้าได้จริงๆเป็นที่เก็บของซึ่งไฟไหม้ที่ขนออกไปนะเป็นกาลยานมิตรอย่างยิ่งถ้าถามถ้ามาพิจารณาดูนะคนที่ขอเราเนี่ยเขาเป็นกาลยาขมิตรของเรามีค น, นดไปที่อินเดียวพ้ามาขอขอก็ราคาญเลยก็เลย ทำเป็นรังคาญก็ทําไมเขาแลบลิ้นปิ้นตาใ่โยมด้แต่ที่จริงเขาเขามาเป็นกียยานามิตรให้มองอาถารไม่ออกมองอาถรรไม่ออกไปโกรธเขาเลยเสียเลย mm hmm. เพราะเป็นสหายในกรรมคือการงานก็คือทานเนี่นะ mm hmm. เขาเป็นเหตุใถึงพุทธภูมิที่ได้ยากยิ่งแล้วก็เลิศ ก, กว่าสมบัติทั้งปวงนะเลิศ ก, กว่ามนุษย์สมบัติสวัสด์สมบัติแล้วก็พรมสมบัติฉะนั้นการที่เราจับได้ สมบัติต่างๆเหล่านั้นก็คือว่าต้องสลักต้องให้พึงเข้าไปตั้งความน้องใจในการบริจาคนีนะผู้นี้ยกย่องเราในกรรมมันยิ่งเพราะฉะนั้นคนรทำความยกย่องนั้นให้เป็นความจริงนะถามว่าเวลาเขาขอเราเนี่ยใช่ไหมเขาจะขอด้วยอาการอย่างไรก็แล้วแต่เขาจะขอด้วยอาการแบบใช่วาจาอยากหรือใช้วาจาอ่อนหวานแปลว่าเขายกย่องในกรรมที่ยิ่งของเรา ยกย่องอยังไงก็เราปราถนาค้นทุกข์ใช่ไหมอ่ะเมื่อปราถนาค้นทุกข์เนี่ยก็คือปราถนาที่จะดึงบารมีเนี่ยผูกบารมีไว้ในตนใช่ไหมแล้วก็ผูกสัตว์ไว้ในตนเนี่ยใช่ไหมเมื่อเขามาขอมันเป็นโอกาสที่เราจะให้ไหมเมื่อเป็นโอกาสที่จะให้แล้วเขามาบูชาเราในกรรมที่ยิ่งเขามายกย่องเราก็ท่านจะพ้นทุกข์ใช่ไหม อาเราต้องการจะให้ท่า น, นสมเจตนาเราจึงมาขอท่านเขออขอบคุณเขา<ม>เวลาเข้ามาขอต้องขอบคุณเขาขอบคุณนะมาทำธรรมบารมีของเราให้เต็มโอกาสหน้าอย่าลืมมาขอใหม่ <laughs> อันนี้พูดจริงนะแล้วพูดกับเขาหวานๆแบบนี้ด้วยเนะี่ยเพราะถ้าไม่มีคุณเนี่ย ก็ไม่รู้จะหาใครเก็บซราบไปในปัลโลกหรือจะไม่รู้จะมีมีใครใช่ไหมที่จะทําให้ทานในบารมีของนอนนี้เสร็นี่นะนีกแต่หนึ่งบอกว่าควรทําความยกย่องนั้นเป็นความจริงบางคนเนี่นถ้าเราคิดอย่างแค่โลกียะทีนยโลกียะสมบัติบางคนเขาก็ถ้าไปอินเดียก็มาหาราชามหาอะไรหมาอะไร ห, าหมาร า, า, าชามาหาอะไร ถาาเคยเป็นความจริงก็เราไม่ให้เขาถ้าอยากเป็นความจริงให้ก็ใช่ชายิ่ยงเป็นไม่ได้ตาแหน่งยังว่างใช่ไม่เป็นได้แล้วก็สานะยังไม่ถึงนะ้ก็ต้องนั่นต่อไปอันนี้แต่จริงๆแล้วนหมายถึงสูงสุดหมายถึงสูงสุดทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าพรชีเพราะชีวิตมีการแตก ไปโดยส่วนเดียวแม้เขาไม่ขอเราก็ให้ไม่ต้องพูดถึงการขอเนี่ยอัจยาสายท่านเนี่ยดูคือพระบรมทิศท่านฉลาดในกรุณายไหมท่านมีความฉลาดในอุบายคารุณายอยู่แล้วฉั้นท่านรู้อย่างยกตัวอย่างแค่อากาศหนาวท่านก็รู้ว่าคนหนาวก็เตรียมอะไรหาว่ า, าห่ม อ, อะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าปีนี้ฝนแรงท่านก็รู้ว่าคนอดนน้ำอยู่แล้วเงี้ยนะคื อ, คอท่านฉลาดว่ตรงไหนอย่างไรต่างก็จะรู้จักที่เจ้า เขามาเองด้วยบุญของเราไหมเวลาเขามาขอเขามาด้วยบุญของเราก็เราปรารถนาอะไรถ้าปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณเป็นความปรารถนาใหญ่ปัเจกโพธิญาณก็เป็นการปรารถนาใหญ่สาวกบ ร, รมียานอัคราสาวกก็เป็นการปรารถนาใหญ่เป็นต้นนี้นะเล็กๆอะไรก็แล้วแต่เวลามีคนมาขอทั้งหลายเขามาด้วยบุญ เขามาเองด้วยบุญของเราเพราะผู้มีอัธยาสายใหญ่เนี่ยต้องแสวงหาผู้รับทีนี้เขามาถึงที่แล้วต้องแสวงหาไหมไม่ต้องแสวงหาเพียงพิจรารณาใค่ควรไห้ดีแล้วประจริงได้เขาจึงได้ให้เขามาให้เขามาให้บุญของเราหรือมาเบียดเบียนเรามาให้บุญเนีเขามาให้เราได้ทีนี้การให้เนี่ยใช่ไหม เราจะฉลาดในอุบายเอกรุณายอย่างไงเดี๋ยวไปดูวิธีคิดของพระโพธิสัตว์ท่านไม่ใช่สัตว์เลยว่าให้ให้ให้ให้ให้ใไหให้แบบปับเราหัดไปให้แบบทิงี่ยไม่ใช่ น, ชนีการอนุคอของเรานี้โดยมุ่งถึงการให้แก่ผู้ยาจกแก่ผู้ยากไร้นี่นะเราคนอนุเคาห์โลกแม้ทั้งหมดนี้เหมือนกับตัวเราบอกอนุคโอโลกอนุคโอสังคมอนุคโอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถามว่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเราทําอะไรกับตัวเราบ้างแต่คิดอย่างนี้นะ เรามีการจัดแกงตัวเองยังไงมีการดูแลตัวเองอย่างไรเราก็ควรอนุเคราะห์บุคคลอื่นเช่น ก, การอนุเคราะห์ตัวเราเองใช่ไหมเราหิวเราต้องทานเป็นต้นเราต้องมีเสื้อผ้าแล้วต้องมีที่อยู่อาศัายเป็นต้นอะไรเนี้ยนะเราจะต้องได้สิ่งต่างๆอย่างไรนะก็ต้องอนุอเคราะห์พราะโพธิสัตว์ท่านคิดขนาดนั้นเลยไงคิดอนุเคราะห์ผู้อื่นเหมือนตัวเราเราควรอนุเคราะห์โลกทั้งหมดหรือว่าบุคคลอื่นทั้งหมดเหมือนตัวเราเมื่อยาจกหรือผู้ ยากไร้ไม่มีทานบารมีของเราจะพึงเต็มได้อย่างไรนาะแต่พิจารณาอย่านี้นะถ้าผู้ขอไม่มีใช่ไหมถ้าก็ขอสิ่งใดเนี่ยแปลว่าเขาต้องการสิ่งนั้นใช่ไหมการขอแบบกบแบบกรุบอกคนทั่วไปการขอแบบพระระยะหรือแบบพระทั้งหลายก็ต่างกันใช่ไหมถ้าพระยืนนิ่งๆแบบว่าท่าน็นขอเนี่ยนะต้องมีบาทไปยืนนิ่งๆหน้าบ้าทแบบพระท่านขงขอแต่ประชาวินาบาทดู แม้เดินยังไงก็โอ้โหเขาไม่เคยใส่เดินนี่จักสองรอบแล้วนี่เริ่มเลยประเดินวนเป็นนี่สงยบาดเปล่าครับถ้าสังเกตเนี่ยสงสัยไปรอบนพวกไม้ไม้นี่ต้องใช้ความสังเกตแล้วก็ส้งเกตได้พระมีพระเดินผ่านหน้าไปเขาเดินแวบไปอย่เมื่อนี่ลองค่อยๆตามท่านไปนะจริงๆด้วยไปเจอตลาดว่าคนยังชั่วนไม่จงเอเดอ เนี่ยเกิบไม่ได้ก็เบบบินกรุงเทพบินยากกำหนดทิศทางไม่ค่อยถูกแล้วยอมจนมากถ้าวันวันวันนี้จะตื่นสายกันไม่ตื่นแต่เช้าก็รีบ ก, กันไม่ค่อยไปใส่บาตไม่เหมือนแถวบ้านนอกนะบ้านนอกใส่บากันแ็วทุกบ้าน แต่ถ้าความเจริญไปถึงไหนการใส่บาตรน้อยลงไม่รู้เป็นยังไงอันนี้อันนี้เศรษฐกิจของพ <c oughs> <c oughs> ระเศรษฐกิจของโยไม่ต้องคนเยอะๆต้องมีความเจริญเข้าถึงเือตามกันคือคนนี้ก็บางครั้งก็ก็เลยให้ทานไม่เพ อ, อยอะานี้ใช่มมันความรีบรง ก็อาศัยว่าแม่ค้าทำมาอย่างไงก็อิ่มซื้อซืแม่ค้าบางคนก็ใช้หลาดเอาของเก่ามาขายใหม่ถ้าเราเของเก่าไปก็เดินมากก็เป็นที่จะถามว่าเอ้มันมันบุญของใครบุญของบนญรับหรือบุญของผู้ให้ทำบุญมาไม่ค่อยดีมาเปิดอีกทีแลเหม็นเน่าเลยการอนุเคราะห์ของเรานี่มุ่งถึงการให้เป็นต้นดังที่ได้ท่านกล่าว เมื่อพู้ข อ, อยาจกไม่มีทางบารมีจะเต็มได้ไงเราควรรักษาของทั้งหมดไว้เพื่ออะไรเพื่อผู้ยากไร้หรือผู้ยาจกเท่านั้นเมื่อยาจกหรือผู้ไม่มีไม่มาขอเราเราก็จะหยิบเอาของเราไปเองเขาจะหยิบเอาของเราเองไปตอนไหนเขาบอของเราก็เก็บอยู่ในบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอะไรต่างๆ น, น, นี่ในะข้าวของต่างๆมันอยู่ในบ้านแล้วปิดล็อกประตูอะไรต่างๆนี่นะ ถามบอกว่าเออเนี่ยถามมาเมื่อยาจบเนี่ยไม่ขอเราเนี่ยเขาไม่ขอเราเขาไม่เขาเกงใจเราเขามีเฮลิทใช่ไหมเขาละอายใจอะไรต่างๆเนี่ยทั้งๆที่เขาก็าอดอยากเขาทรมานอย่างเนี้ยถ้าเขาไม่ขอเราเนี่ยเขาจะมาหยิบเอาของเราได้จากตอนไหนแล้ว ของของเราเราก็เกี็บอย่างมิดชิดหวแหนใช่ไหมยิ่งในปัจจุบันมีระบบการเก็บ ด, ดีขึ้นเดินแล้วเนอยมีระบบป้องกันโจรป้องกันขโมยกันเยอะแยะหมดล็อกกันไ้กี่ร็อกเนี่ยนะถามว่าถ้าคนที่เขามีความมริสุทธิใจเนี่ยเขาจะหยิบออกได้ยังไงเขาก็หยิบออกไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะท่านมาพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปให้เขาจริงๆใช่ไหมคนที่เขาทั้งยาจกเหล่านัน้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราได้อย่างไรท่านมาพิจารณาเนะี่ย เราเมื่อให้ก็พอใจเมื่อให้แล้วก็ปลื้มใจเกิดปีติโสมานัดได้อย่างไรถ้าเราพิจารณาีูเราจะให้อะไรนะให้เราเกิดความพอใจให้แล้วปลื้มใจแล้วจะเกิดปราโมดปีติปสัสสติยาจกทั้งหลายของเราพึงเป็นอย่างไรเราพึงจะเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานอย่างกว้างขวางก้าพิจารณานะียาจกไม่ขอเราจะรู้ใจของยาจกทั้งหลายได้อย่างไรแล้วก็จริงใหถ้าเราพิจารณาดูอากับกิริยานะ มาพิจารณาท่านผู้นี้มีความปรารถนาอะไรเนี่ยมองๆองไปในท่านพิจารณาท่านฉลาดนะในการที่จะไถ่ควรในกรุณาแต่กับปัญญาท่านจะวิ่งไปในศัตว์ทั้งหลายเอากระแสขันของสัตว์ทั้งหลายพิจารณาว่าสัตว์เหล่านี้จําเป็นเรื่องอะไรต่างๆเรืองนี้เป็นต้นบางคนเขาไม่เอืยปากขออะไรต่างๆเรืนี้นะก็ไถ่ควรพิจารณาแล้วก็ให้ให้สังเกตน อ, อุบาสกอุบาสกาในสมัยทั้งผู้ดการหลังพู้ดการใหม่ๆที่เขาศึกษาว่าทํากันมาอย่างดีนี เขารู้พระธรรมวินัยอย่างดีเลยมั้ยแล้วเขารู้แม้กระทั่งพระเนี่ยนะเออเวลาท่านนึกอย่างอย่ายที่ว่ามีอุบาเิกาดูแลภิกษุสามสิบรูปอ่ะดูแลพรรษาเดียวได้เป็นรูปเป็นพระหลานเลยนะโสุดยอดจริงๆไม่ธรรมดานะรู้ใจขนาดนั้นนะลองไปทําปันมั่งพิธธรรมนาคามีมากให้เกิดแล้วเขาอาพินยาด้วยจะได้รู้ใจพระโอ้โหจะรู้ใจพระยังไงเนี่ยโอ้โหแต่เนี้ย ใจพาตเราก็รู้แล้วนี้อะไรนะจะเป็นสปาญาใหญ่แท้เลย น, นที่จะเป็นสปาญาในการเกื้อกูลศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลขทุกขัน้นยังไงก็พิจารณาเออที่อยู่ประเภทไหนนะเป็นปันจจัยแกิดศีลสมาธิปัญญาอาหารประเภทไหนเป็นปันจจัยเกิดศีลสมาธิปัญญาธรรมะประเภทไหนเป็นปัจจัยแกิดศีลสมาธิปัญญาท่า น, านจะเป็นไปนับสนัท่านรู้ไหมแต่พระโพธิสัตว์ท่านฉลาดนะท่านฉลาดท่านรู้เมื่อทรัพย์มียาจบ มีการไม่บริจาคเป็นการหลอกลวงของเราอย่างใหญ่หลวงนะถามว่ายาจบมีทราบมีทราบของเรามีนะคนอยากไร้เต็มไปหมดเนี่ยแต่การไม่ให้เนี่ยเป็นการหลอกลวงอย่างใหญ่หลวงของเราเป็นการหลอกลวงของเราอย่างใหญ่หลวงไอ้ทําไมต้งหลอกลวงอ่ะทำไมต้งหลอกลวงเราประกาศว่า จะเป็นสัมมาสัมโพธิญาใช่เราประกาศว่าจะเป็นปัจเจจะเป็นปัจเจกับพุติญาเราประกาศว่าจะเป็นสาวกผู้ดีญาเออสาวกผู้ดีเราประกาศว่าเราจะพ้นทุกข์เนี่ยัพมีะยาจกมีแ่ไม่ให้หลวมอยากอวมม ทำไมเข้ม <blueberry> จ <c une society> ังว um <les> ่ย like ค an ือคือจริงๆต้องการพูดให้ชัดว่าเจตนาที่เราตั้งใจเราต้องการไม่ใช่อยู่แค่ทานนะอันนี้พูดทานเป็นเบื้องต้นสีี่ก็ในยะอย่างเงี้ยพราะเวลาวิจัยเยอะเออมันมันมันมันต้องใช้เวลาเวลาเยอะแล้วก็ต้องมาสรุปให้ความว่าเป็นในไปในลักษณะนี้นั่นแหละเป็นการเป็นการหลอกลวงเราพึงสละอวัยวะในชีวิต ของตนแก่ยาจบทั้งหลายได้อย่างไรมห า, ห า, หาบริษน์นั้นบรมภวิศน์เนี่ยท่านคิดท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือควรทำจิตให้เกิดขึ้นโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์คือสิ่งตอบแทนนะประโยชน์สิ่งต่างๆนี้จะบอกว่าเราให้เราสละเราบริจาคเนี่ยเราจะไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ที่ท่านไม่หวังสิ่งตอบแทนดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยวัดถูการทั้งหลายเนี่ยนะ มันวิ่งตามท่านเหมือนแมลงวันวิ่งตามเนยพาอยู่แล้วดังที่ได้กล่าวไม่ต้องกลัวตรงนั้นเลยนะไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์จริงๆเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะพ้นทุกข์แต่การจะพ้นทุกข์นั้นนะ่ะเราต้องผูกจิตของเราไว้ในบา ร, รมีสิใช่ไหมต้องผูกเขาไว้ผูกจิตของเราไว้ไข่ ค, ควบรบารมีเขาไว้ทุกๆบา ร, รมีทุกๆวันไข่ ค, ควรว่าวันนี้เราได้ทําบา ร, รมี นะไข่ควรตั้งแต่ทานไปจนถึงป่วยขาไข่ควรไปตามอัตยาศัยไข่ควรเร่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ให้เป็นอัธยาสัยต้องผูกเข้าไว้แล้วเราก็บําเพ็ญไปมาเป็นไปเรื่อยๆมันทำได้ทุกวันจะนิดจะหน่อยเลไรต่างๆได้ทุกวันไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะบอกวิธีว่าท่านทํายังไงนะพวกขอเป็นคนที่น่ารักนะสมมุติเราคนขอเนี่ยคนขอเป็นคนที่น่ารักท่านให้ทำจิตนะ ท่านในไข้ควรที่พิจารณาทำสองมนัสว่าคนที่เรารักมาขอกับเราอันนี้น่าชื่นใจไม่ใช่คนที่เรารักมาขอให้ไม่อยากถ้าผู้ขอเป็นคนเฉยๆเราเฉยๆกับเขาเป็นอารมณ์ธรรมดาเป็นอารมณ์กลางก็ต้องทําโยนิสอมนัสิการให้เกิดขึ้นทําจิตให้เกิดสอมนัสว่าผู้ขอผู้นี้อยากจบผู้นี้ขอเรากลายเป็นมิตรในการบริจาคแน่แท้ ก็ทำจิตให้เกิดสมนะนะบอกเอเนี่ยแต่ก่อนเราไม่รู้จักเพราะเขามาขอเราเราก็คุ้นเคยพอคุ้นเคยไปเสร็จทําสมมาะได้เกิดขึ้นแม้บุคคลที่เฉยเฉยก็ทําสมมาะได้เกิดขึ้นนี่ประการต่อไปแม้ผู้ขอเป็นบุคคลที่เป็นเวรดาวเอาแต่คนที่เราเกลียดสุดๆให้มาขอเลื่องทำไงดีก็น้ายังไม่พยายามมองยังก็เอ่ยปากขอเงี้ย จะทำไงจะวางใจยังไงท่านบอกว่าศัตรูนี้เมื่อขอกระเราเขาจะจากผู้เป็นเวรเขาก็จะกลายเป็นมิตรที่รักด้วยการบริจาคไปเ น, นี่ยนะฉะนั้นในเรื่องของพระเนี่ยถ้าเราเราเราเกิดขัดเคืองใครเนี่ยถระได้สิ่งไหนที่ตนเองรักพวกหงษนแหนดิสุดไม่ว่าจะเป็นกีวรบาทหรือเส้กอาสนะใดๆต่างๆเนีน่ยหรือของสิ่งของที่ได้ ของชายทั้งหลายที่พระสมกลกับพะรักมากหูแเน้นมากถ้าเกิดขาดเคืองกับพิกศูรูปใดหรือสาวตร์ธรรมิกูปใดท่านจะเดินไปหาแล้วน้องก็เทาไปเตะโลกเท่าหายแล้วโทสะหรือความไม่พอใจทั้งหลายอย่าายเกรื่อนเลยเพราะท่านคนนั้นจะกลับกลายมาเป็นมิตรทันทีเลยนี่ท่านในวางจิตแักวนะนั้นท่านถยังกรุณาเมตตาเป็นเบื้องหน้าทงเกิดขึ้นทีลักษณะอย่างนี้การบำเพ็ญบารมีเป็นไปในลักษณะนี้แหละจะเป็นปัจจัยการที่ว่า เป็นปัจจัยการได้ตัดสรุนะ่ะสรุนนั้นบําเพ็ญกับพิณิหารเนี่ยนะได้สลักวัถกตถุต่างๆเหล่ า, านี้ได้ให้อุปกรณ์เกศนะแม้แต่สละร่างกายเป็นต้นเนะี่ยท่านก็สามารถบริจาคเป็นต้นได้ความคล่องในวัตถุในภายนอกของท่านนะในกรณีที่บอกว่าเออในวัตถุภายนอกที่ท่านสละได้เบ็ดเสร็จแล้วแต่นี้ท่านกลับมาพิจารณาวัตถุภายในเป็นต้นเหล่านี้นะมีทั้งภายานัตธรรมและอัชิติกาธรรเนนะี่ยนี้ท่านกลับมาพิจารณาถึงต้นไม้นะ พิเทลานาเป็นต้นไม้ในบรรดาต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยนะต้นไม้ใหญ่ๆที่เขาสามารถนํำมาปเป็นยาได้เนี่ยต้นไม้บางชนิดเนี่ยเป็นยาได้ทุกอย่างเลยนะรากก็สามารถนําไปเป็นยาได้สเก็ตก็ทํายาได้เปลือกเอยลําต้นขาพกแก่งกิ่งใบดอกย่อม น, นําไปทํายาได้เบดเสร็จเลยนะทีนี้คนที่เขาต้องการยาเขาก็มาที่ต้นไม้ต้นนั้นเมื่อมาเบ็ดเสร็จ ก, ก, ก็ใช้มีดนะมาถักเอาไวบางคนก็มาตัดใบตัดกิ่งตัดรากเนี่ยนะ เอาแกนบางเอาคาคบบางเอารำต้นบางเอาดอกเป็นต้นเนี่ยในขณะที่เขามานําพลาผลต่าง ๆ, ๆกิ่งต่างๆออกไปนั้นต้นไม้นั้นเนี่ยไม่เรียกร้องด้วยความวิตกว่าคนพวกนี้นําของเราไปทไํามไต้นไม้ก็หัวมันอย่าเลยอย่ามาตัดกิ่งเราไปเลยอย่าเลยอย่ามาเอาดอกเอาพ้นเอาใบเอาก้านเอากะเที่ยวเปลือกของเราไปทํายาเลยเราไม่อยากท่านบอกว่า ต้นไม้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเน่ยฉันใดท่านก็เอาต้นไม้นั่นแหละมาเป็นอารมณนะปัจจัยทําโยนิสมนสิการที่เกิดขึ้นในต้นไม้ใครควรพิจารณาเลยแล้วฟันน้องมาสู่ในจิตของตอนเองเนี่ยนะมาพิจารณาเป็นไปตามลําดับนะพิจารณ า, ากา ย, ยเูยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกยื่อกระดูกทั้ทงมีสะอาดสักชิ้นมีไหมฮ ะ, นะผมขนเล็บฟั น, น, นาตาสะอาดไหมต้องล้างทุกวันเลย ใช่ยิดหน่อยก็ต้องมาน้ำล้างตาหน่าเบอ่ใช่ไหมหูก็ไม่สะอาดจมูกก็ไม่สะอาดปากก็ไม่สะอาดฟันก็ไม่สะอาดใช่ขขอฟันสักเสี้วไห้ไม่เหมือนต้นไม้ใช่ถ้ามาพิจารณ า, าแล้วนะกายไม่สะอาดไม่รู้จะคุณเนาะกายรู้จคุณไเราดูแลมาขนาดนี้ก็ไปคยตอบแทนอะไรเราบ้างนี โอ้ยคุณดูแลเราดีเหลือเกินเราจะไม่ทํรยอดคุณเราจะไม่ป่วยนะมันเคยฟังเลยนะเราจะไม่แก่แล้วเพราะคุณดูแลเราดีเหลือเกินแล้ว เ, เ, ร, า เ, ร, าเราจะเราจะไม่แก่แล้วเราจะไม่เจ็บแล้วและในที่สุดเราจะไม่ตายเพราะคุณดูแลเราดีเหลือเกินเช้าเย็นเลยดูแลอย่างดีเลยเนะี่ยบางทีต้องมีน้ํามันมาทาผิวด้วยเ <c oughs> จ้าน้ยดูแลดีมากเห็นไหมดูแลแล้วดูแลอีกทุกส่วนของร่างกายดูแลหมดเลย แลข้อปรนอมเนี่ยเขาไม่เคยสมนึกคุณคุณเลยก็ ค, ยคิดพอนี่ไหมเขาไม่เคยสมนึกบุญคุณเดี๋ยวไปโกรธเขาเนี่ยถ้านให้มองด้วยปัญญาไม่ได้มองด้วยโทรศัพท์ให้ใช้ปัญญาไปวิจัยไม่ใช่โทรศัไปคิดเดี๋ยวโทรศั์ไปคิดกลับไปไปเป็นทรศ า, ายกายไม่ถูกเลยนะไม่สะอาดพระโพิษัทท่านพิจารณามาหลายร้อยกดกลับแล้วจมอยู่ในทุกใหญ่มากจมอยู่ในชาติที่ทุกชรลาทุกมราณะทุกจมอยู่ในความโศกความลำเละลำบานความไม่สบายกายไม่สบาย อันเราพูดถึงความผนขวายเพื่อประโยชน์แก่สัพโลกไม่เกิดสัพโลกนะประกอบการเพื่ออุปการและแก่สัพเหล่าอื่นไม่ควรให้มิจฉาวิตกนะแม้เล็กน้อยเกิดขึ้นชนะ้บอกโอ้เนี่ยกายังเป็นที่ตายไม่สะอาดอยู่แล้วอย่าเวลาเราคิดถึงกายของตัวเองนั้นอย่าคิดด้วยมิจฉาวิตกใช่ไหมถ้ามิจฉาสังกับป่าเกิดขึ้นมาแล้วยุ่งนะเช่นคิดด้วยการมลาคศอ่าคิดด้วยไอ้มิจฉาวิตกอ่ะมิวิตกที่เป็นไปในทางคิดผิดใช่ไหมคิดก็หาตาม คิกรรพยาบาทคิดระเบียดเบียดใช่ไหมเออเราอย่าไปคิดในะกายของตอนเองกายของบุคคลอื่นเนี่ยอย่าให้มีจฉาวิตกมันเกิดขึ้นอย่าให้เป็นที่ตั้งของมิจฉาวิตกแต่ให้เป็นที่ตั้งของสัมมาวิตร์พอมิจฉาวิตกเนี่ยเขาอุปการละสัมมาทีิฏฐิมิจฉาทิฏฐินะถ้ามิจฉาวิตกเน่ยพอมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นวิจฉาสัมตะป า, ามิจฉาวาจาก็เป็นวาจาวมิจฉากรรมตาอาชีวาตามาเป็นแทวหมดพยายามก่าผิด ตั้งสติไม่เป็นนะต่นี่ผิดหมดและสมาธิก็ผิดมิจฉาทิฏฐิก็เลยมาอาศัยกายที่ไม่งามนี่แหละนี่นี่เป็นไปได้เลท่านบอกอย่าไปตั้งมิจฉาวิตกไว้ให้ตั้งสัมมาวิตกเกิดขึ้นเป็นต้นนี่ย น, นะหรือความพิเศษในทำเครื่องทำลายความกระจัดกระจายกำจัดโดยส่วนเดียวมันเป็นมาพูด น, นนะ่นะที่ภายในแล้วก็ภายนอกเป็นอย่างไรแต่ในข้อนี้เป็นความหลงและความซบเซาอย่างเดียวเนะี่ยการยึดถือกายเนี่ย น, นะ นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราเนี่ยการยึดถือด้วยตัณหาการยึดถือด้วยมานะการยึดถือด้วยทิฏฐิเนี่ยมันผิดทุกรูปแบบเลยใช่ไหมและสัตว์โลกทั้งหลายก็จมอยู่กับปรปัช ญ, ญาธรรมนี่แหละด้วยตัณหาบางด้วยมานะบางด้วยทิฏฐิบ้างใช่ไหมจะยึดมั่นกันไง น, นะมีความยินดีมีความเพลิดเพลินแล้วก็สําคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นต้นเหล น, นี้นอัตราต่อเนื่ไปหมดเลยนะและสำคัญนะ เราพูดเราทําเรากินเราดื่มเราเที่ยวมีเราเต็มไปหมดเลยนะเป็นของของเราเป็นเสร็จหมดเลเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่านี้แหละวอรแท้ที่จริงว่าก็คือมหาพูดและปู่บาทายรูปทั้งภายในทั้งภายนอกมนะันนให้สังเกตดูนสติปัฏฐานเนี่ยก็องค์ุณพระสติปัฏฐานมี3ามอาการใช่ไหมการปฏิบัติสติปัฏฐานจะไม่บริบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติถึงถึงสอาการเะนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างใช่ไหม สองพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างมีสองนะสาก็พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกใช่ไหมไม่ใช่ว่าพิจารณาเฉพาะกายของตนเองจะพ้นทุกได้ไม่ใช่ต้องพิจารณากายภายนอกด้วยแล้วไม่ใช่กายภายนอกอย่างเดียวทั้งภายในทั้งภายนอกเลยองค์คุณ3าประการนี้เป็นปัจจัยการบรรลุได้ทั้งเวทนาจิตก็ทําก็เป็นไปในลักษณะนี้เนี่ยท่านก็พิจารณาเส็เสร็จท่านก็เห็นนะ พอท่านเห็นในลักษณะยนี้ท่านก็บอกวุฒการนี้ไม่ควรจะเป็นที่ตั้งของมิจฉาวิตกนะทีนี้มาพิจารณานะในลักษณะอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าไม่ควรยึดมันว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราเพราะฉะนั้นผู้ไม่คำนึงในมือและเท้าเลยในตาเป็นต้นท่านไม่คำนึงลนะว่าตาหูจมูกริ้งกายใจมือเท้ า, ปาป เ, เ, เ, เป็นต้นหนะัใจเป็นต้นเนื้อและเลือดเป็นต้นนะนะในหนังสือนั่นแหละที่แรกหนังสือในสัมภารวิบาก ทาคุณโยมก็ว่าจะวิทย์ไทยปัญหาใครตอบแล้วก็มีมีไม่รู้เลยกระซิบดังยังไงรู้จารสมนได้ยินอา <laughs> จารย์สมนตอบเลยกลมกลมคืออะไรเหลี่ยมเหลี่ยมคืออะไร <laughs> หมดเลยหาเรื่อยเชือเชื่อจะให้ศสายังไงเลยไม่ต้องตอบก็แล้วจริงเขาจะวิทย์ไทยปัญหาโ ย, ยมเขากระซิบอยู่ถ้าอาจารย์ก็ได้ยินอาจรมาก็ได้ยิน <laughs> แต่ถ้าอาจารย์สมนไม่ได้ยินคำว่าเขาจะไว้ถย์ย อาจสมบูไปตั้งใจความตอนที่บอกว่าอ๋ออันนี้หมายถึงเรื่องอันนี้น้อยดึก็เลยก็เลยเฉลยเรียบร้อยเลยถ้าถามมาตอบกันได้หมดหมดไม่มีรางวัลแจกเลยอันหนึ่งเมื่อเมาส์รูดเสมียกอย่างน Get ี้ประกอบความเพียรเพื่อตัดรู้ไม่กำนึงถึงกายและชีวิตกายกรรมวิีกรรมมโนกรรมจึงเป็นอันบริสุทธิ์ด้วยดีไม่ยากเลยงั้นถ้าเราจะพิจารณาเนี่ ถ้าปรารถนาจะให้กายกรรมบริจีกรรมโนกรรมบริสุทธิ์ก็ต้องพิจารณาอย่างมหาบุรุษท่านพิจารณาเมื่อพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็เท่ากับบริสุทธ์แล้วเมื่อกายกรรมนะบริสุทธิ์ดีมีอาชีพบริสุทธ์ก็ตั้งความบริสุทธิ์เพื่อรู้เป็นผู้สามารถเพื่ออนุเ้ราสรรพสัตว์ด้วยการถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้ฉลาดด้วยความเรื่มสายฉลาดในอุบายด้วยการบริจากไตรยธรรมด้วยความเป็นประมาณยิ่งทีน่ะ วิธีการที่ท่านจะบริจาคในท่านมีความฉลาดในการคิดในการไข้ควรในการวิเคราะห์เป็นอย่างดีและการให้อภัยทานแม้การให้พระสัตว์ทำก็เป็นในการพิจารณาธรรมนี้ด้วยประการใดที่ได้กล่าวเออถ้าถามบอกว่าเท่าโพิษัทเนี่ยนอกจากท่านพิจารณาถึงในเรื่องการให้ต่างๆเหล่นี้เป็นต้นแล้วเนี่ยไม่ใช่เยวัตโหทานอย่างเดียวนะแม้อภัยทานท่านก็รู้จักที่จะให้แม้ธรรมทานท่านก็รู้จักในการที่จะให้ ทีนี้ในการให้ทํามาทานของพระโพิษัทถ้าดูเ <around> น <Light ing culture> ีว <sits in> <settings> ่าท่านจะพิจารณามากปรดีรายละเอียดนี้นะถ้าไปไขว่ควรพิจารณาจะเห็นว่าเวลาพระโพธิษัตทั้งหลายท่านให้ธรรมทาหรือให้ความรู้เนี่ยท่านจะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนว่าความรู้ที่ท่านจะให้ไปนั้นต้องไม่วิปริตต้องไม่ผิดต้องไม่เพี้ยนเพราะอะไรเพราะถ้าให้ความรู้ที่วิปริตที่ผิดที่เพี้ยนไปแล้วเนี่ยการให้นั้นเนี่ยในการกล่าวแต่ละครั้ง ในการโยกกายแต่ละครั้งในการคิดแต่ทุกขณะจิตเป็นทั้งกายกรรมเป็นทั้งเวทีกรรมเป็นทั้งมโนกรรมและยิ่งไปกล่าวสิ่งที่มันไม่ใช่ครามเป็นเรรมขึ้นไวเลยนะแล้วไปกล่าวให้ผู้อื่นลกล่าวคําสอนที่วิปลิดออกไปอย่างเนี้ยแล้วคิดดูกรรมนั้นมันจะส่งผลให้กับใถ้ามันย้อนกลับมันก็ส่งผลให้ตนผู้นั้นจะเป็นผู้หลงผิดในสังสารวัฏแต่ยาวนานั่นพระโพธิสัตว์ท่านติงคำหนึงมาก คำหนึ่งมากเวลาจะกล่าวจะอะไรต่างๆนี่ยนนะ่ะท่านต้องหาเหตุผลอย่งครบถ้ ว, วนเลยนะที่สุดจริงๆก็คือนั่นแหละท่านผ่านพระุทธเจ้ามาขนาดนั้นท่านจึงตั้งมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างในองค์งก่อนก่อนอย่างรุนแรงมากท่านจะไม่กล่าวให้ผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ปฏิบัติให้ผิดเพี้ยนไปจากพระเพรีของพระพุทธเจ้าในองค์ก่อนเลยนะถ้าผิดเพี้ยนก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วเพราะท่านดําเนินรอยตามพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนี่ใช่ไหม แต่ท่านทําประเภทปัญญาทิ่กะศรัทธาธิ่กะหรือวิญญาธิกะเพาะฉะนั้นวเวลาท่านสละหรือท่านให้อะไรต่างๆอย่างนี้นะแม้แต่ธรรมทานท่านก็รู้จักให้และการให้ของท่านท่านก็ให้เป็นไปตา ม, มดับเราะฉะนั้นะท่านไม่ได้ให้แบบสับสนวุ่นวาย น, นะท่านให้โดยความเป็นตามลำดับเพราะการให้โดยลำดับให้โดยตั้งใจเนี่ยถ้าของที่มันยากท่านก็มาทําให้หมันงาน่ายไม่เหมือนอาตมาอาตมาให้ บางทีของง่ายๆนำมาทําได้ยากหมดเลยเนี่ยเมื่องทีควรจะให้ก่อนอนำมาไหมเพราะมันยังเรียนไม่ถูกบางครั้งเนี่ยก็ ก, ก็มีเต็มที่แล้วนะเต็มที่นะแต่ก็คือนั่นแหละก็พยายามจะทําให้อยู่ในร่องในรอยของของท่านเหล่านั้นเมื่อเราทําอยู่ในร่องในรอยของท่านเหล่านั้นแล้วก็จะได้เป็นปัจจัยเกิการให้ใ ห, ให้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะในด้านของวัดถุ่ทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปในส่วนของอภัยาทานแล้วก็ธรามาทานเปต้น ทีนี้ในลักษณะของการให้ในลักษณะที่ว่าท่านศรัทธาในลักษณะของการให้ของท่านเนี่ยนะท่าเราพิจารณาบอกว่าท่านกล่าวถึงการกระทําในการในการเพียในการให้ถามว่าอะไรนะเป็นความเศร้าหมองของทานไอันนี้สำคัญมากยังไม่ที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยความเศร้าหมองของทานก็คือว่าว่า ความที่ทานเป็นต้นเหล่า น, นั้นนะถูกค้อบงำอะไรเป็นความเศร้าหมองของการาบารมีศีลบารมีแล้วก็เนคขมารบารมีปัญญาบารมีเนี่ยตัณหามานะทิฏฐิเป็นความเศร้าหมองของบารมีทั้งหลายใช่ไหทยทารมทั้งหลายเนี่ยนะแล้ก็ปฏิฆาหกเป็นความเศร้าหมองของทานาบารมีชนันการกําหนดบุคคลการกําหนดเวลาและเป็นความเศร้าหมองของสิ่งต่างๆเหล่า น, นั้นเน่ยเป็นการที่ท่านพิจารณาใช่ไหย เมื่อท่านพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วท่านก็จะเห็นจะเห็นบอกอุ้ยความที่กิเลสทั้งหลายมารุมล้อมนี่นะแม้การถ้าถามว่าอือแล้ ว, วลความของแผล่ะความของแผลก็จะเป็นไปในลักษณะที่บอกว่าเมื่อขจัดราคะโทสะโมหะออกไปจากจิตแล้วก็ให้ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างชัดเจนอย่างนี้ถือว่าเป็นการให้ที่ถูกต้องประการต่อมาก็คือว่าวิธีปฏิบัติ หรือข้อปฏิบัตินะี่นะการทําความอนุเคาะ์ศัพท์ทั้งหลายโดยส่วนมากด้วยการสลัเครื่องอุปกรณ์ความสุขร่างกายและชีวิตเนะี่ดยการกําจัดภยัยด้วยการชี้แจงทําเป็นข้อปฏิบัติเป็นทานบารมีในบารมีถึงต่างเหล่านะั้นท่านก็นแยกแยกเป็นอมิสถานอภัยสถานแล้วก็รรมาทานอยู่นะในบรรดาทานต่างๆโดยเฉพาะอมิสถานท่านก็มาแยกเป็น2เป็นวัตถุทานภายในคืออัจฉริกรารทานแล้วก็วัตถุทานภายนอกคือไฟและทานเนี่ยนะคือทานภายนอก ในบรรดาทางภายนอกนั่นน่ยท่านไหนก็สูตรที่นีท่านก็กาวในเรื่องการให้ข้าวให้น้ําให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอ่อให้เครื่องรูปไร้ที่นอนที่อาศัยและปฏิบัรดาวัตถุมีข้าวน้ําเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยท่านก็มาจําแนกไปแล้วจำแนกจำแนกเป็นของคนเขี้ยวแลอวกับของคนบริโภคเออของคนเขี้ยวเป็นยังไงของคนของขอ ง, ของคนบริโภคเป็นยังไงและในอย่างนั้นเขาไปแยกเป็นอารมณ์ โดยอารมณ์นะีมีรูปอารมณ์มีถึงธรรมอารมณ์ใช่ไหมในบรรดาทานเหล่านั้นท่านเรามาแยกเป็นรูปรูปปารทานังสัทธาทานังคันธาานังระสาทานังโหดภะพาธานังธรรมทานังแยกเป็นให้รูปเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นเป็นทานให้โหดภะพาเป็นทานเป็นต้นเล่นี้นะท่านก็เริ่มมาแยกในลักษณะอย่างนั้นเป็นต้นด้วยเครื่องอุปการะอันเกิดความปราบเพื้อมใ จ, จต่างๆทีนี้ในบรรดารูปอารมณ์เป็นต้นเหนีน้ยังเป็นแยกจำแยกย ยยกสีอีกนะก็มีสีเขียวสีขาวเป็นต้นเหล่านี้นะเครื่องอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชนิดของแก้วมันีกระหนกเงนินมุกดาประการนาไร่สวนท่าหญิงท่าชายโยกบืนในวัตถุเหล่านั้นหมหาบรตรเมื่อจะให้วัตถุภายนอกย่อมให้วัตถุตามที่เขาต้องการเขาต้องการอะไรให้อนั้นเนะี่ยและเมื่อจะให้ก็รู้ด้วยตัวเองว่าเขาผู้มีความต้องการเนี่ยแม้เขาไม่ขอก็ให้แก่เขา ไม่ต้องพูดที่เขาขอยินดีสาให้ให้โดยไม่เยื่อใหญ่ให้สิ่งที่น่าปรารถนาเมื่อมีทายธรรมก็ย่อมไม่ให้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาย่อมให้ด้วยความไม่หวังผลตอบแทนใดใดเกล่าวเมื่อไม่มีธรรมทายธรรมก็ย่อมแบ่งเนาะย่อมแบ่งย่อมเจียรย่อมแจกจ่ายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะการให้ท่านก็ ท่านก็นมาพิจารณาว่าถ้าการิยหาขอก็อให้สมขอที่สมควรแก่่านนะครันปะชิด ok ขอก็อให้สมควรแก่บันปะชิตอาารหาเขขอเอยบากนะเาขอถ้าบัระชิตก็ไม่ไม่เอวยปากถ้าเอวยปากขอไม่งามเนี่ยไม่มีถบันปะชิต่เขาเขาไม่ได้ปขอนึกขอในใจได้ได้ เอ๊ะทำนึกยังไงแล้วเขาก็ไม่รู้ทำไงมีมีพ า, ลปปาเลาอีกบาก็ไปบินาบาัตเดินบินหนึ่งรอบไม่เขไม่ได้ี่สองรอบสามสี่รอบไม่ได้ทาไม่ไไไทำไงสงสัยต้องทาอย่างพระอาริยะซะนะถาาอริยะนะทต้องไปยืนนิ่งๆก็ปรารถนาจะฉาอะไรก็ไปยืนตรงนั้นจนวนจราก็ไปยืน น้าล้างกปวเตี๋ยวได้ผลเกินคาดแ้วแต่แต่ต้องไม่ทำความโลกให้เกิดขึ้นอันนี้พูดไม่ใช่พูดอะไรท่านตันเบยนนันูนะไม่ไถูกนะกกต่ันเป็นคือคือท่านท่านทำท่านเงนะก็ก็ตอนที่พระอ่พระสิกขวเัเถระใช่ที่ท่านเป็นบ้านา อายอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ในศรัทธายท่านก็ไปยืนยืนทุกวันทุกวันวเป็นยี่สนาทีมนาทีท่านยืนอยู่ยืนเสร็จก็ไปยืนเสร็จก็ไปยืนอยู่ทุกวันวันนปีนึงมีกี่วันส้วันท่านยืนท่านยืนท่านยืนอยู่าปีไปยืนอย่างนั้นทุกวันไม่ไม่เคยได้นี่แตยท่านยืนอย่านัแต่ในท่สุจริงๆก็คนไม่ได้ ให้กันได้ไปเจอขอแบบนี้เข้าใช่ไหมเอาที่ลองลองมาเจออย่างนี้มะไม่ลองมาไม่ไม่กล้าทำสักทีกลัวคิดยังไงไม่รู้คือเรารู้ว่าทําได้แต่ไม่ได้กล้าทําคือเรารู้นี้อยากจะทุเพกยอมคนนี้ยังยไม่เคยใส่บาตรเลยอ่ะเดินผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่นี่นะไม่เคยเลยเอ๊จะไปยืนดีไหมต้องต้องยอมรับเสียงที่ชมและเสียงใส่กรเสินด้วยนะไปยืนแบบนั้น ท่านไต่ก็ให้ของที่สมควรไม่เกิดการเบียดเบียนใครนะฉะนั้นในขณะที่ท่านให้ท่านก็ไม่ให้โดยการเบียดเบียนใครนะไม่เบียดเบียนมารดาไม่เบียดเบียนบิดาไม่เบียดเบียนญาติสายโลหิตมิดอาหารบุดธาตุภรยากรรมกรเป็นต้นรู้ไทยธรรมดีแล้วนะท่านไปพิจารณาสังเกตโดยที๋ไว้เวลาท่านจะให้ลูกเป็นทางให้ภรรยาเป็นทานเนี่ยท่านไม่ใช่บังคับให้ท่านมาบอกอธิษฐานยัง ไ, ไอธิบายกลางว่าสัมมาสามัมปริยานดียังไง เห็น ไ, ไหมอธิบายว่าการเป็นพระเจ้าดีอย่างไรแล้วอธิบายให้ฟังว่าเธอมาเกิดในบุคคลที่มีอัธยาศัยสูงส่งดีอย่างไรแล้วเธอได้ตั้งอัธยาศัยปรารถนายัางไงบอกทั้งเรื่องต้นทั้งร่างที่สเสร็เสร็จเห็นไหมแล้วไม่ทิ้งเห็นไ้มเราไม่ทิ้งหรอกเมื่อสละในครั้งนี้เบีดเสร็จแล้วเนี่ยเธอจะได้ฐานะอันควใ น, นีนะพ่อเห็นไหมแล้วไม่เคยทิ้งเลยที่กเกี่ยวกับมันไม่เคยทิ้งหรอกใ ให้นะมัาซีให้กันหาชาลีบุคคลเหล่านี้ก็รีนิพานหมดแล้วเนี่ยเราไม่กล้าไปไปอยู่ใกล้ท่านเพราะกลัวท่านจะบริจาคเราใช่ไหมเรากลัวใช่ไหมตอนนั้นเราคิดผิดเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเราไม่ไม่ไหวแล้วคนไข้ขนาดนี้อะไรให้ลูกเป็นทานให้บุตรให้ภรรยายใช่ไหมโอ้ให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยให้เราไปทุกข์ทนลําบากบางครั้งให้ลูกเป็นทานเนี่ย บางคนเข้ามาในเพศของพามเนี่ยพอให้เสร็จเขาแปลงเป็นยักษ์กัดกินตรงหน้าเลือดก็ะจิกระโชกติดเลยเนี่ยโอ้โหวางใจยังไงวางใจยังไงเลือกกดก็ะโชกติดเลยโอ้โหถ้าอย่างเราไม่เป็นลมตรงนั้นกัดลูกเราคอขาดเดี๋ยวนั้นเลือดพลักเลยใช่ไหมท่านให้เหีท่านวางใจแต่อย่างเราโอ้ไม่เอาแล้วไมยอมเป็นลูกท่านเลย เี๋ยวให้ก็ให้ก็ไม่รู้ จ, จริงๆแต่จริงท่านพิจารณาถ้ามาในเพศของยักษ์ของมาท่านไม่ให้ถ้ามาในเพศที่ท่ า, า น, นก็ท่านไม่ได้ให้ติดนะนี่เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็รู้ว่าบุาตรท่ากรรมกรท่านรู้ไทยธรรมดีเราไม่ให้ไม่ไม่เหมอไม่หวังลาบสการลาเลี่ยงสาราเสิร์นไม่ให้เพื่หวังผลตอบแทนไม่ให้เพ้าหวังผลแต่หวังสัมมาสัมพุทธญาณเท่านั้นไม่ให้แบบดูถูกผู้ขอเนี่ย แล้วก็ไม่ให้แบบดูถูกคยธรรมไอ้ตรงนี้สำคัญมากบางทีเราเห็นคนไม่ชอบหน้าเราให้เหมือนกันแบบเรายื่นให้แบบเออเคยสังเกตไหมแบบแบบทรงแล้วลแบบให้แบบน้องคานใครทีก็จำไหมเคยเคยเป็นยังไงโยนให้บ้างลักษณะดูถูกคยธรรมบ้างดูถูกผู้ขอทําไมไปดูถูกทานบา ร, รมีก่องพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นปฏิปทาของพอระโพธิสัตว์ท่านเมเราจะให้ก็ให้ให้ถูกถ้าน้นมันไม่เป็นรรมันบารมีใช่มมันไม่เป็นบา ร, รมีอะไรเลยไม่เป็นเลยและแถมงไปดูถูกด้วดูถูกผู้รับด้วยนะและไปยังไปดูถูกยธรรมดูถูกทานบา ร, รมีของผู้รัได้แล้วก็คิดงนั้นตรงนี้นะไม่ให้ทานแบบโยนนะแกยาจบผู้ไม่สำรวมถ้าถามว่าเขาจะโกนด่า ดาสารคัดดาวนะเราจะโยนให้เขาแล้วก็ต้องพูดแล้วขอบใจนะที่ไม่ใช่จะให้เราบำเพ็ญแก่ทานในบารมียังให้เราบำเพ็ญขันติบารมีทาได้ต้องตั้งสติไม่ได้ก็ฝึกไปนะก็ฝึกไปแล้วก็เจอเนี่ยในจอมสารมาที่ผ่านมาก็เจอแล้วก็หลุดเรื่อยแล้วต่อไปก็ยังให้หลุดเลย นั่นก็ตาอัจยาใส่ใหม่ๆก็อาจจะมีบ้างอะไรบ้างในส่นทริงก็ก็รูจ้จัรู้จักทั้งดาและสแสดงท่าทางโกรธโอ้มีอยู่ชาตินึงจำได้นหะมที่พรโพธิสัตว์ที่ท่านบเป็นอเุเบข้าวเพิ่มท่าท่าจะอยู่ในเพศนัก บ, บวชคนก็จะเคารพใช่ไหเอาแลงอยู่ในประเภทที่คนไม่รู้จักบวชใจก็แล้วกันไปอยู่ในสถานที่ที่เขาดูถูกที่เขาดูถูกที่เขาลังแกที่เขาปทุสลาไดเนี่ยโอ้หสารพัดเลย เรอนีน้สุดที่เป็นนอนในป่าช้าเป็นนอนในป่าช้าแล้วก็เอากระหลงกระโหลกแรงต่างกระหลงกรนอนต่างๆเด็กพวกเด็กอะไรต่างๆก็ไปเล่นไปยอกไป็นสารพัดเลยนะไปประทุศรลารงตา่างโโหท่านวางใจยังไงนะมีจิตเลื่อมใสด้วยความเคารพ อ, อย่างเดียวเนะี่ยไม่ให้เพทาะทางราการให้ก็ไม่ใช่ว่าให้ชื่อไปเชื่อมองคลดึงข่าวเนี่ย้โหไม่ไม่เป็นฐานบารมีเนะีะไอเชื่อมองคลดึงข่าว มีอยู่ใครรู้ขึ้นไปบนข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าให้เมื่อเราให้ทานต้องให้น้ําด้วยนะนถ้าไมให้น้นําี่โอ้ขึ้นไปบนสวรรค์ก็ขึ้นมาแล้วไม่ได้กินน้ําหรือโอ้ยตอนนั้นนะพระพระลําบากกันตั้งหลายเดือนคนเชื่อนทั้งประเทศอัลมาก็าคอยบ้าคอ ย, ปอ ย, ปอยป ไ, ไ, ไปแต่ละทีได้น้ําขวดใหญ่ๆไปแล้วลอ้โกลัวไม่ได้ไปกินน้ำํำในชาติน้า มองพรตึงขาไม่เป็นทานบาลอย่างนี้ไม่เป็นตานบาลไมใ่ให้เพราะเชื่อกรรมและผลของกรรมเท่านั้นว่ากรรมที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมระดับต่างๆท่านให้ทานบาลมีท่านปฏิบัติบาทานบาลมีแบบนี้ให้รดเชื่ออย่างนี้ไม่ให้ยาให้ไม่ให้ยาจบต้องลำบากด้วยการให้นะให้เข้าไปนั่งใกล้เป็นต้นนะี่ยนะ จะก็เรียกว่าโดยไม่ทําให้ยาจบลำบากไม่ให้ทานประสงค์จะรวงหรือประสงค์จะทาลายผู้อื่นให้โดยมีจิตไม่เศร้าหมองอย่างเดียวนะไม่ให้ทานโดยใช้วาจาหยาบแล้วก็ในขณะให้หน้านิ้วคิ้วขมวดท่านไม่ตั้งการยังให้อย่างนั้นะคนมนันที่ให้ยังให้แล้วเหนื่อยจะจจาลืมตัวแล้วตะโวนเรียกกันอย่มะเรียกเอาของมาเร็วๆคนมารับเยอะแล้วเนี่ยจะเข้าจะเข้าโกรธ บอกอย่ขึ้นเข้ามา่าพเพราะคนคนมาแล้วบางคนก็มีอัตยาสายดีบางไม่ดีบ้างอะไรต่างๆนั้นถ้าจะฝึกให้เนี่ยต้องวางจิตให้เป็นต้องวิเคราะห์ให้ดูว่าการให้อะมันจะของมันจะค่อยๆหมดไปนะใจต้องไม่เสียในเงี้ยเริ่มได้ไหมแล้วคนที่มารับนั้นมีวาจาต่างกันนะบางคนก็วาจาดีบางคนก็วาจาอยากคายบางคนก็มีพฤติกรรมดีบางคนก็มีพฤติกรรมไม่ดีต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องวางจิตให้เป็น เพราะเขาต้องการเพราะเข า, เขาอยากได้เพราะเขาปรารถนาทีนี้ไม่ให้ทานด้วยการใช้วาจาอยากเป็นต้นแล้วก็พูดหน้าละพูดก่อนพูดพอประมาณแล้วก็ในในลักษณะอย่างเงี้ยนะว่าเขาเรียกว่าในการให้ ต, ต่างๆ่างแบบนี้เห็นไหมไม่ใช่แต่การให้ท่านก็พูดให้ก็พูดแล้วเขาก็กในตำนองว่าให้ในอิสู OR จริงๆก็คือเขาให้เป็นยาเหมือนอาตมาเนี่ยนะ กนอดมาตอนที่เอาทิพไปที่บ้านยวพ่อยแม่ก็จระผมอาธมาก็ไปร่วมันก็ไปร่วมร่วมช่วยแจกยศก็ช่วยก็ไจก็ไปคนเข้ามาโลนี่บางก้าวม้งแต่ก้ามอามาก็บอกพอจะไปจริงๆจะไปถึงยอาก็จะไป ตอนเขก็ไปบ่ายบ่ายโมงกว่าก็จะสองมงบ่ายโกอถึงงานแล้วก็เขาบอกเขาบอกขอบใจนะที่พวกเราทั้งหลายมาเป็นเด็กชางหยิบขาวไปมาแลถามเราก็ไม่มีข้าวเลี้ยงก็เลยใช่ไหมราะลืมอ่ะลืมไม่ได้ตั้งหลักตรงนั้นเอไว้ที่แรกกันนะ้บ่ายสองเมื่อว่าว่าจะถามข้าวกันมาแล้วก็มาพวกมาเปนั้งห้าหกร้อ แต่ยังก็พอนั้นเบสเซ็ตันมาก็ขอบใจนะก็เลยอธิบายก็ฟังก็บอกว่าผู้ให้เน่ต้องขอบใจผู้รับเขาเล่าถึงว่าโยมพอย่อโยมแม่ลำบากังเกินมายากจนยังไงทำไมต้องปราถนาโยมพอย่พอโยมแม่ให้ทานเป็นต้นยากมีให้ทานนะเพราะโทษองการไม่ให้มันเจ็บปวดในสังสารวัฏยนก็เล่าัและเบสเซ็ตก็คือว่าบอกเอเอ ในในก็นขอบใจด้วยที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้เป็นผู้มาเป็นผู้รับถ้าไม่มีพวกเราทั้งหลายเนี่ยทานบรารมอก็ไม่รู้จักเกจอกระทากันยังไงใช่ไหมทีนี้ในกรณีที่เป็นผู้ให้เสร็จแล้วในีถามผู้รับจะเป็นผู้ให้ได้ไหมเรื่อผูรร้รับจะเป็นผู้ให้ได้ไหมอาจารย์ม่ด้หลงได้ถ้าอย่างนั้นก็ปรารถนาให้เราสมาทานสารนาคมแล้วสมาทานศีเนาะก็ให้เข้าสมาทานสารนาค ก็บอกว่าทานที่ให้กับผู้มีศีมีผลมากมีอานิสงส์มากนั้นชื่อว่าผู้รับนะั้นทําตัวเป็นผูใครเลยใช่ไหให้ทานของผู้ให้นะั้นมีผล ม, ม, ม, มีอานิสงส์มากไงเออคำวิจารณ์ตรนี้เป็นเสร็จแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะท่านไม่ใช้ได้แค่นั้นอย่างเดียวท่านยังได้ข้ออนุโมท น, นามใหม่เลยใช่ไหมเออท่านได้อนุโมทนามใหม่ก็คู่ที่เขาเขาจะพอเข้าใจาเชื่อไหมไหลายๆคนแล้วเขาปฏิบัติเขาดีดีแล้ว แล้วโอ้บางคนเนี่ยมาเตือนเตืนไปก็ม่น่ามาคุยคุยอะไรมาเขาบอกว่าแต่ก่อนเวลาเขารับรู้สึกก็าตอบไปจริงจริงเขาอยากให้แต่ก็ไม่มี่ะแต่โมวังวันนี้เขาเป็นผู้ให้ได้แล้วเห็นไหมเขาให้ดาวงั้นเขาให้ได้อธิยาสายก็น้องอยากให้เขาเห็นโทษถึงการให้เพราก็จนก็น้องอยากให้เห็นไหมเขาบางครั้งเนี่ยเรื่องไอ้่าก็พูดไอ้มาว่าจริงๆแล้วเนี่ย การให้วัตถุทานการให้อพยทานและการให้ธรรมทานนะี่มันมีอีกเยอะนะอยไไเน้นอะไรเรื่ยฉะนั้นพอท่านเชื่อกรรมผลกร อ, องกรรมเป็นต้นเหลนะ่านถ้าก็มาพิจารณาเนะีพอมาพิจารณาในลักษณะการในลักษณะอย่างนี้เบเสร็จแล้วท่านบอกว่าส่วนในทานภายในทึาทราบไลยสองอย่างก็คือเหมือนบุรุษนะคนใดคนหนึ่งก็าสละตนแก่บุคคลอื่นเพื่อเหยียดแทงอาหารเครื่องนุ่หงห่มย่อมเชื่อฟังย่อมเป็น ถ้าชั้นใดมหมาบรุษก็ชั้นนั้นเหมือนการมีจิตปรารถนาอามิตรเพราะเหตุแห่งสัมมาสัมโพธิญาณปรารถนาความสุขอันยอดเยี่ยมแก่สัตว์ทั้งหลายประสงค์จะบำเพ็ญทางบา ร, รมีของตนก็สละตนเพื่อบุคคลอื่นนะเชื่อฟังย่อมทําตามความประสงค์ไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้มอบอวัยวะน้อยใหญ่มีมือมีท่ามีมตาเป็นต้นให้แก่ผู้ต้องการนะบอกว่าอู้โดยไม่ติดใจไม่สียยิ้หน้าในการมอบให้นะ ให้แล้วก็เกิดปลาโมดให้แล้วก็เกิดปีติให้ความยินดีเกิดขึ้นนะท่านมีความรู้สึกยินดีมากถ้ามีใครมาขอหัวใจขอดวงตานะขอแขนซ้ายแขนขวาเป็นต้นถ้ามันจะเป็นประโยชน์นะถ้าอย่างในยุคปัจจุบันตับเป็นประโยชน์ก็ให้ตับไตเป็นประโยชน์ก็ให้ไตเยนะปอดเป็นประโยชน์ก็ให้ปอดนะสิ่งต่างๆในร่างกายที่สามารถที่จะไปช่วยคนอื่นได้ท่านน้อมให้ทันทีนะ เป็นความจริงหมาบดยำความปรารถนาของยาจกเหล่านั้นให้บริบูรณ์นะด้วยการบริจาคตามสบายหรือด้วยความชนานาญของตอนตนเองทํามาอย่างชำนาญอย่างยาวนานจึงสละวัตถุทั้งภายนอกแล้วก็ภายในยังอย่างไม่ยากนะวัตถุภายในที่กําลังให้อันใดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์กับยาจกโดยส่วนเดียวนะี่ย่อมให้วัตถุภายในนะั้นไม่ให้นะ ไม่ให้วัตถุภยัยเนื่องจากผ้าขาวดูดนั้นรูย่อมไม่ให้อะจภาพด้วยว่านว่าใ ห, ใหญ่แก่มารพวแกมมารแ ก, มมก่แกเทวดาเนื่องในหมู่บ้านนายท่านไ่ให้นะท่านก็พิจารณาก่อนนะนะท่านก็พิจารณาหรือถ้ า, ากเกิดอะไรสิงแก่คนบ้าหอยู่ตอนะไรนไม่ใช่ว่าท่านให้สุม 4, สี่สุมาท่านพิจารณาส่วนอภัยทานนั้นพึงทราบใยความป้องกันจับภัยที่เกิดจากสัตว์ทั้งหลายนะท่านก็ให้อภัยนะให้พนะัยแบว่าเออ ป้องกันศัตว์ไม่ให้พ้นจากราชภัยจุลภัยเนี่ยพ้นจากไฟพ้นจากน้ําพ้นจากศักกตรูพ้นจากสัตว์ลายเป็นต้นนี่ยชื่อว่าเป็นอาภาัยทรนนะจากเสือจากามนุษย์เป็นต้นจากราสุบเป็นต้นนั่นแหละเป็นในลักษณะของธรรมะเลยอาภัยทานก็แปลว่าท่านให้อาภาัยชีวิตให้ความปลอดภัยเนี่ยเขาก็าเรียกอภัยทานเช่นรู้ว่าโอ้ตรงนี้เนี่ยเหมือนถคนเดินทางแล้วไม่ปลอดภัยเลยก็ไปซ่อมพ้นทางให้เขาใช่ไหม ทำให้เขาปลอดภัยนี่อภัยทานนะเดี๋ยวคนเขาไปตายเยอะเลยที่ตรงนี้ท่อตรงนี้เหมือนคนตกเรือหนึ่งไปจัด ก, การทำซะอย่างดีเลยนี่เป็นอบัยทานทุกวันนี่แมะไปเขียนทิ้งกันเขาว่เขียนอภัยทานแคบเหลือเกินนช่ไแคบมากเขียนอนยทานชาวบ้านเนี่ยชอบเขียนมากที่จะมาอยู่แล้วเขียนไม่กล้าบอก หมดแล้วเห็นยอมลุกแล้วหมดเวลาเออตรงนี้นะก็ก็ดังที่ได้กล่าวนะเวลาก็ค่อนข้างจะจำกัดจำัดังที่ได้กล่าวพอกาพุทธคุณเนี่ย ในการศึกษาพุทธคุณของพร ะ, ระพุทธเจ้าเนะี่ยถ้าเก็บรายละเอียดนะั่นเป็นเรื่องที่ยาวนานค่อนข้างมากไม่ไม่ธรรมดาดังที่ได้กล่าวแล้บอกว่าการที่เราจะศึกษาพุทธคุณกล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้านะี่ยแค่คิดนี่ก็ลำบากใจแล้วเนะี่ยแค่คิดถ้ายิ่งต้องมานั่งฟังเนีแล้วโอ้โหเป็นเรื่องที่นะเอ็นที่บอกใครน้อจะทนนั่งฟัง การพละนาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อย่างยาวไกอย่างยาวนานซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยใช่ไหมฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้พระผู้มี พ, ะพระภาคเจ้าเนี่ยนะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในโลกเพื่ออะเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อเพื่อกลูนแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และพระโคดมเนี่ยนะที่ท่านบอกว่าในคําสอนที่บอกว่าพระโคดมผู้เจริญดิพราเม น, นะที่ไปบอกเกียรติศักดิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมกระจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเอตนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นประรหันต์รัตถุเองโดยชอบเรียบพร้อมด้วยวิชาและเจรนะเสด็จไปแล้วได้ดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ควรปรึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจา้าเป็นพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเพลโลกมารโลกพรหมโลกมูสัตพร้อมทั้งสำนัพราหมุนุษย์แล้วก็ด้วยพระองค์งเองนะจึงทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงสรแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นท้ามการและก็ที่สุดถึงพร้อมใน้อัถฐและพะยัญชนะทรงประกาศพระมจันรนั้นที่ได้กล่าวบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบท้ว น, นีนะส่วนพระธรรมพระผพุทธภาคจก็ตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติตามก็จะเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูเป็นตัวนั่นนะแม้พระธรรมเสนาวดีสารีบทก็ชมเชยนะพระมหาบุรุษว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาอาถรรพ์มีปัญญาฉับไวมีปัญญาเชียบแล้วมีปัญญาเพิกถอนกิเลสทรงมีความฉลาดในประเภทแห่งปัญญามีพยานแต่ฉานทรงบรรลุกุศลแล้วก็บรรลุปฏิสมพิทายาณ แล้วก็บรุเวสาลัชยาสี่ทศภรรยาสิบเป็นต้นเนี่ยนะพระริจาร้าเนี่ยเป็นผู้องอค์อาจเป็นบุรุษที่ประเสริฐที่สุดนะเป็นบุรุษที่สูงสุดทรงเป็นบุรุษอาชานในทรงเป็นผู้บุรุษผู้นําธุระนะทรงมีพยานหาที่สุดไม่ได้มีพระเดชหาที่สุดไม่ได้มีพระยถ า, าที่สุดไม่ได้มั่นคงมีทรัพย์มากมีปัญญามากฉะนั้นอริยทรัพย์ของพระริจาร้าเนี่ยมากไหมทั้งที่ได้กล่าวไหม สติปฐานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีซีพละโพดชงแล้วก็อิยะมากเป็นต้นเนนะี่นยนขันหาญาตนะเวลาซัต์ต่างๆที่พระ อ, องค์มาแจกเนี่ยมากมายแล้วก็ยาวนานมากเป็นต้นเนนะี่ยนฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ถ้ามาพิจารณาถึงกรรมที่พระบรมศาสดาได้ทรงกระทำมาและในที่สุดจริงๆนะพระพุทธเจ้านั้นก็บรุษสัพพัญญุตยานเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์ก็เข้าถึงความบริสุทธิ์อี่นะ การเข้าถึงความบริสุทธิ์ก็คือว่าท่านได้อะไรความบริสุทธิ์แห่งจิตถามว่าอะไรสร้างมาก็ต้องตอบว่าอาหารธรรมกายะสร้างขึ้นมาถามว่าจิตของพระผู้มีพระเจ้าบริสุทธิ์ไหมก็ต้องบอกบริสุทธิ์อยู่ไหมเพราะพยานของพระเจ้าเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวอะไรเนี่ยไรมลทินดังที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ถามว่าเออความบริสุทธิ์ของจิตนั้นอะไรสร้างมาก็ต้องตอบว่าอาหารธรรมกายนะสร้างขึ้นมา และอารธรรมากายานะไรสร้างขึ้นมาวิปัสสนาญาณสร้างขึ้นมาวิปัสสนาญาณมีอะไรสร้างขึ้นมาสมาธิสร้างขึ้นมาสมาธิอันอรสร้างขึ้นมากขอบอกว่าสีนะด้วยสีเนะีที่พธเจ้ตรัส้วยมีเทวตาสังยุตธนะ์นีบอกว่าสีเลปิดทายานารสปันโยจิตตำปัญญาจะภาวยามอาตาปีนิพกโภพิคูใช่ไหมพโยคา ว, าวาจารเป็นผู้มีปัญญามาแต่กำเนิดนะีใช่ไหม เขาเรียกปฏิสนธดเลยตีเฮตุกับปฏิสนธิเนี่ยมาด้วยความไม่โลภไม่โกรธมาด้วยความด้วยปัญญานเนี่ยพอเกินมาด้วยเหตุสามเปเร็จตนนเป็นคนมีปัญญาเนี่ยพอมีปัญญาก็เห็นภัยเห็นภัยเห็นชาติภัยชราภัยวรณาภัยเนีเห็นความโศ ค, ความลำไรลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจนยสิ่งต่างต่างเหล่านี้เป็นภัยอย่างใหญ่หลวงที่รุมเล้ากระแสะขันงูสัตว์โลกอย่างยาวนานแสนสะหัส ตราดใดที่เรายังไม่พ้นจากตัญหามาหน้าที่กี่เป็นต้นเนี่ยเราก็ถูกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะกระแสของใครเหล่านี้พัดพาไปในพบน้อยพบใหญ่หน้ากรุณาอย่างยิ่งเลยนะออความน่าสงสารของกระแสขันของสัตว์โลกทั้งหลายยังไม่พ้นจากสายตาของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็ใครควรเห็นกระแสขันของสัตว์ที่นายบายพบใช่ไหมที่กําลังดาผุดดำวายในในในในรกประคอทั้งหลายที่กําลังวิ่งกัน ทนทรมาจากการถูกไฟเผาเป็นต้นนะจากการเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์รกเป็นมนุษย์เป็นคนป่าเป็นคนดอยเป็นคนอยากไร่ต่างๆนะโดยเฉพาะในชมพูเทวีมีคนก็ถามอาตมาว่าชมพูเทวีเนี่ยทำไมพระเจ้ามาตัดอาตมาบอกชมพูเทวีเนี่ยตามคาสอนท่านกล่าวเป็นเป็นทวีปที่เหมาะสมแก่ก็โคตรสัตว์ ที่จะมสร้างบารมีหมอะแก่พวกบริษัทที่จะมาตรรัดทารุเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้ า, จาและพระอาสารตสาวโลกทั้งหลายตลอดถึงพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นนะเป็นทวีที่มีโศกและทุกข์มากเนะืมากจริงๆถ้าประเภทที่ทุกข์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแสนสาหัสให้สังเกตดูดีว่าความเปลี่ยนแปลงกันเนี่ยน้ามือละมือในบรรยากาศที่เราฟังทำอย่างนี้ กันในบรรยากาศอีกกลุ่มหนึ่งของของมุมเมืองคนกาลังทุกขทรมานเพราะความโหยอยู่นะี่ัเพราะความทรมานบางกลุ่มไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งบางกลุ่มไม่มีข้าวาอาหารจะกินทุกทรมานนะไม่มีแม้แต่ที่จะซุกหัวนอนเนะีขนาดนั้นจริงๆนะบางคนมีโรคเต็มตัวไปหมดนะในขณะที่เราทั้งหลายอยู่อย่างเนี้ แตบางกลุ่มก็กําลังทุกทรมานเพราะโรคภัยแค่เจ็บสารพัดใช่ไหมที่เบียบเ่ยงเบนกระแสะขันของสัตว์โลกให้ได้เห็นว่าโอ้โหชาติภัยชาลาภัยพยาธิภัยเนี่ยเต็มไปหมดจริงๆนะในชมพูเทวีเนี่ยมากม า, กายไกลกองนะแล้วในกลุ่มหนึ่งก็โหยงดงามการเห็นข้อเปรียบเทียบอย่างเนี้ยถ้าตั้งให้สังเกตดูได้ว่าปุโุชนที่หนาแ น, น่นในราคะโทสะโมหะที่หนาแ น, น่นด้ยกิเลสทั้งหลายเหล่าเนี้ย มองยังไงก็คิดไม่ค่อยออกคิดไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าปัญญาระดับพระโคดิษฐา์ทั้งหลายเนี่ยท่านผ่านการบ่มเพาะบารมีมาอย่างยาวนานท่านมองเนี่ยสะเทือนมากยัยไหมปัญญาเกิดกรุณาก็เกิดปัญญาเกิดกรุณาก็เกิดปัญญาและกรุณาจึงมาเกื้อกูลทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีของท่าน ท่านก็เลยประกอบบา ร, รมีไว้ในตนใช่ไหมแล้วก็ประกอบสัตว์เหล่านั้นไว้ในตนท่านก็พิจารณาบา ร, รมีด้วยพิจารณาสัตว์ทั้งหลายด้วยว่าสัตว์ที่จมละ ง, งมอยู่ในชาติทุกชราทุกมรณะทุกพยาทิทุกเป็นต้นววความโศกความร่ำไรลําพันที่ท่านจมกระเสือกสนกันอยู่ในความทุกข์ในสัตว์เหล่านั้นไม่บ่มเพาะบา ร, รมีไม่มีปัญญาเครื่องนําออกจากภพเหล่านี้ทําไมจึงไม่มีปัญญาเครื่องออกจากนําจากภพ สัตว์เหนั้นติดแน่นในวัตถุกางเขามีโมหะเป็นราชาธิบดีใช่ไหมเป็นโมหะเป็นราชาธิบดีของเขาปกครองปกครองกายยาคนครนั้นและมีมิจฉาทิถีเป็นธรรมวิชัยดังที่ท่านกล่าวไว้ในคมภีสัมภารวิบากนี่กล่าวไว้อย่างนะั้นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเป็นอย่างนั้นนะเขาก็คิดในทางทนทุกข์ของเขาที่ผิดผิดพลาดพาเข้าหาทางกางมสุขคานิการิโยคบ้างประกอบตันที่ติดแน่นในกางมสุขบ้าง บางกลุ่มปลารนาจะพ้นทุกนะก็ไปบำเพ็ญอัตตากิริมาฐานนิโยคประกอบตนให้ลำบากไปเงี้ยก็หลุดจากมัชิมาปฏิปทาหลงทิศหลงทางกันอยู่อย่างเงี้ยพระโรมัสาสดางก็บอกเออเนี่ยนยีเป็นอย่างนั้นน่ะพระโรธิษัตว์มาพิจารณาอย่างนี้ถ้าเราจะตัดสู้ตามพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่นะจาก 40,000 นลูปแลยไหมแล้วก็องค์ที่1นึ่งไหมกับอีกหนึ่งลูปเป็นพระสารแต่ฉานอภิญญาใช่ไหมอภิน ญ, ญาเนะี่ พร้อมโดยปฏิสัมพิทายานเนี่ยแต่ถามว่าในเพียนที่ใครไม่รู้จักเราในเพี้ยนที่ใครไม่รู้จักคําว่าใครไม่รู้จักในที่นั้นไม่ใช่ท่านปรารถนาชื่อเสียงนะท่านปรารถนาว่าเมื่อคนไม่รู้จักเราเขาจะตั้งศรัทธาในเราได้อย่างไรเขาไม่ไม่ตั้งศรัทธาในเราแล้วเขาจะฟังเราไหมเนี่ยเมื่อเขาไม่ฟังทำเราเนี่ยเราจะแสดงธรรมอย่างไร เมื่อเราไม่มีโอกาสแสดงธรรมท่านเหล่านั้นจะไข่คว ร, รามาทำได้ยังไงไม่ไข่คว ร, รามาทำการแทงตลอดการนําไปประพฤติปฏิบัติได้แทงตลอดไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องยาวไกลนะเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกลับทีนี้ก็มองไข่ควรพิจารณาไหมแต่ด้วยกรุณาเขาแรงปัญญาก็แรเนี่ไหมถ้าแรงแต่ปัญญาอย่างเดียวก็น้องในการตัดสรุปตาม นีทั้งกรุณาทั้งปัญญาในเพื่อกูลซึ่งกันท่านบอกคนเช่นเราเราตัดสรู้แล้วปรารถนาให้คนอื่นตัดสรู้ด้วยเราข้าไมไปแล้วปรารถนาให้บุคคลอื่นข้ามเราพ้นแล้วปราถนาให้ผู้คนอื่นพ้นใช่ไหมเราบริสุทธิ์แล้วปรารถนาให้ศัพท์อื่นบริสุทธิ์ด้วยก็เกิดขึ้นในใจอย่างบุญแรงเพราะเกิดขึ้นอย่างในใจอย่างบุญแรงนั่นแหละเป็นที่มาขอางการปรารถนาแล้วก็ตั้งปรารถนาขอให้กุฎิจาวปยากรบอกไม่เอาแล้ว อริยทรัพย์ที่พระองค์ยื่นให้ข้าพราะองค์ขอสลัดไม่รับอริยทรัพย์นี้ไม่ใช่ยิงเลยแต่กรุณานในใจทุ่มทุนไม่ใช่ไม่ปรารถนาไม่ใช่ไม่เห็นทุกข์เพราะว่าวิปัสสนาญาณ น, นั้นคล่องแคล่วมาในสังสารวัฏนั้นน่ยถ้าจะเดินผ่านประตูดโดยการฟังพระธรรมของพระทเจ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ห้องวิปัสสนาญาณระดับโลกุตระนี้ง่ายมาก พอฟังคำจากพระพุทาเจ้าอย่างนี้แล้วแต่น้องใจไปในการที่จะไม่เอาไม่เอาโสดาปฏิมากไม่เอาสกาดาคาดีมากอนาคาลมากอร อ, องชิดด้วยแล้วนะใช่ไหมอริยทรัพย์ซึงเราท่านทั้งหลายปรารถนากันมาอย่างยาวนานเบือนหน่ายเหลือเกินแล้วเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเป็นไปกับชาติทุกชาทุกมรณะทุกเนี่ย มันเป็นไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศความล่ำไรลําพันแสนจะเบื่อหน่ายหรืออยากจะพ้นที่มันพ้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะปัญญามันไม่ถึงว่าสมาธิไม่พอว่าศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยสิกขาสามันเดินไม่บริบูรณ์เลยไม่เป็นปัจจัยในการที่จะชะําระกิเลสเหล่านี้ได้เนี่ยท่านยอมสละทิ้งเนี่ยอย่างไม่อะไรเนี่ยอย่างไม่อะไรเลยเนี่ยแล้วทักโดยตรงก็บอกว่าไม่เอาวิมานแต่จะยอมตบลงในโลก เพราะเอาเพราะว่าความกรุณาท่วมทนเหลือเกินแล้วความกรุณานั้นท่วมทน้นในใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ไม่ไม่สามารถที่จะจะรับอริยทรัพย์ของพระผู้มิพากษาวันนี้นะข้าพเจ้าปรารถนาในการจะตัดโลกเป็นผู้ได้เจ้าแล้วจะขนสัตว์ที่ยังระงวงแต่งไปได้วยพิษไข่ออกจากสังสารวัตรทีนะในลักษณะอย่างนี้ถามว่าอัธยาศัยที่ท่านต่้ง ว่าเราท่านทั้งหลายเรามาพิจารณาอย่างนี้ถามว่าถ้าไม่เห็นคุณของพระเจ้าเออเน่ยถ้าราปัญญาของปุรุชนอยู่มยปุรุชนนี่เจาะพุทธคุณยากมากท่านอุปมาเหมือนยุงเจาะหินเจาะไอเพชรนะ่ยใช้จงงอยปากเจาะเพชรนะ่ยหามุมไหนเจาะยากก็จริงอยู่แต่ทําไปเฮ่อว่าไงเนะี่ยถ้าเราไม่สามารถคิดพุทธคุณได้เราก็ปฏิบททัติธรรมของพระองค์มีนะ เพราดูชนนั้นมันที่คําว่าเจาะยากในที่นั้นเพราะอะไรรู้ไหมท่านทั้งหลายเพราะกิเลสในใจมันหนาะถ้าเราเอากิเลสในใจออกมากๆมันจึงจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้านี่กิเลสคือราคะก่อหนาโทสะก่อนหนา้าโมหะมารณทิฏฐิวิจิติชั่ออิริยาบถอตาอุทะจรในใจมันหนาแน่นมากทนฟังพุทธคุณยังทนไม่ได้อย่างที่ได้กล่าวอย่าอย่าคิดเหการที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติเลย ฉะนั้นมันหนาขนาดนั้นถ้าถ้าสางกิเลสออกได้มากใช่ไหมแสงสว่างมันจึงจะเห็นเพราะคุณของพระเจ้าสว่างจ้าจตดอดเวลาเนี่ยแต่ความมืดเนี่ยมันปิดมันปิดใจทําให้จิตใจของสัตว์โลกนั้นบอดท่านถึงบอกบอกว่าใครมีปัญญาแม้เท่าท้องของเม็ดผักกาแม้เท่าท้องของเม็ดถั่วเขียวแม้เท่าท้องของเม็ดฟักทองอะไรก็แล้เนะียเม็ดมะม่วงหรือแม้เท่ากับหม้อเล็กๆน่ย หม้อเล็กๆไห้เล็กๆตุ่มตลอดถึงโอ่งถึงปี๊บเลยก็แล้วแต่นะถ้ามีขนาดนั้นไปคือไปที่มหาสมุทรแล้วเอาจุ่มลงในน้ำมหาสมุทรมันจะต้องซึมซับน้ําในมหาสมุทรได้แม้สักเล็กสักน้อยนะต้องได้อย่างแน่นอนเมื่อได้มาแล้วนั่นแหละจะเป็นอุปการะขอให้ได้พุทธคุณเม้นิดหนึ่งนั่นแหละเอามาบริหารเอามาใข้ครัเอามาระ ล, ลึกบ่อยๆในที่สุดจริงๆจะเพิ่ม จะเพิ่มจํานวนพุทธคุณในใจมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดในสาวกโพธิยานก็อยู่ใกล้ปัจเจโพธิยานก็อยู่ใกล้ตลอดถึงสัมมาสัมโพธิยานก็จะอยู่ไม่ไกลท่านทั้งหลายเลยนั้นไอพิจารณาในลักษณะนี้นะเพียงพยายามเร่งรีบในการที่จะพึงกระทำใช่ไหมในลักษณะนี้ในที่สุดจริงๆก็จะได้เป็นปัจจัยในการที่จะก่นทุกข์ฉะนั้นในคัมภีสัมปาระวิบากเนี่ยถามว่าเป็นเป็นเรื่องที่ต้องอ่านแล้วก็ต้องคิดเพราะเป็นํานวนโบราณนั่นส่วนหนึ่ง แต่ผู้ที่ดำเนินการจัดพิมพ์หรือจัดนาเสเสนอทั้งหลายก็ใช้ทุกรูปแบบทั้ง c ีเข้าช่วยทั้งอะไรต่างๆนะแต่เวลาก็จกัดการ้ายรายอย่างนั้นที่ได้กล่าวเนาะท่านทั้งหลายก็ต่อไปก็ต้องช่วยตัวเองแล้วก็โอกาสต่อไปก็ได้ก่าวว่าจะมีอะไรช่วยๆเหลือต่อไปวันนี้ก็สมรเวลานะอาังมทนาุนกทุวกวรั้ดเดียวพรอลียนกนเลยนะสานดูสานดูากานันแะ ก่อนที่จะมีการรับผู้นัะบคุณวรรวนะคะผู้แ